จเจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองปรากฏขึ้นแล้วณบัดนี้วันนี้วันพฤหัสบดีที่สิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้ารอยห้าสิบหกขึ้นสี่ค่ำเดือนแปดเีมะสงอ่าอ่เรามาว่ากันด้วยเรื่อง สงครามสังคมธรรมะการเมืองตามชื่อรายการแต่ว่าวันนี้คงจะพูดถึงเรื่องของธรรมะเป็นหลักคงจะพูดธรรมะเป็นสำคัญมากกว่าเรื่องของการเมืองมากกว่าเรื่องของสงครามแต่แน่นอนธรรมะก็ต้องเกี่ยวข้องกับสังคมชัดชัดแน่แนอนอนเลย เรียกไม่ได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะของมนุษย์มนุษย์หนึ่งคนมนุษย์มาคนรวมมึงเข้าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายล้านคือสังคมพร ะ, ะพุทธเจ้าก็ศึกษาเรื่องมนุษย์และสังคมความเป็นอยู่ของสังคมกับความเป็นมนุษย์นี่แหละอาตมาย้ำ ม, มาไม่รู้กี่ทีกี่ทีกี่ทีแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านไปเรียนศึกษาอะไร ที่เป็นเป้าหมายหลักไอเรื่องอื่นๆที่ท่านรู้ด้วยนั้นไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่มันจะพลอยรู้ตามไปด้วยส่วนเป้าหมายหลักนั่นคือรู้ความเป็นมนุษย์อย่างจบทวนครบครันหมดเลยทั้งรูปและนามแล้วก็จึงรู้ว่ามนุษย์นี่แหละเป็นสัตว์โลกในโลกเป็นสัตว์โลกในโลกที่อยู่ในโลกนี้เป็นสังคม เป็นทุกข์เป็นสุขเป็นเลวเป็นดีอ่าเป็นทำลายเป็นสร้างสรรค์อะไรต่างๆนานามนุษย์ทั้งเพรเกิดจากมุษย์ทั้งสิ้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่มนุษย์คนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทุกชีวิตถ้าได้รู้ความรู้ที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วเป็นอรหันต์จบเลยถ้าได้ความรู้นี้เป็นอรหันต์และจบ ในความมีชีวิตในโลกมนุษย์นี้จะเป็นผู้ไม่เป็นภัยเป็นโทษอะไรเลยเป็นสัตว์โลกที่ประเสริฐที่สุดนะเป็นสิ่งหนึ่งในโลกถ้าจะอุบัติจะเกิดอยู่ในโลกมนุษย์นี้จะเป็นผู้ที่มีประโยชน์เป็นผู้ที่ไม่มีโทษเป็นผู้ที่เป็นสัตว์โลกที่สุดยอดในโลกนี่เป็นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะวันนี้ก็จะพูดคนเดียวไปครึ่งรายการตาม ลักษณะของรายการสงครามสังคมธรรมก า, ารเมืองแล้วก็จะตอบประเด็นของผู้ที่ส่งมาจากทางบ้านผู้จะส่งประเด็นเข้ามาในรายการนี้จะเป็นคําถามคําตอบต่อว่าต่อขานติติงสั่งสอนแม้ที่สุดมีคนด่าว่าก็มีมาก็ไม่เป็นไรรับฟังส่งมาทางเบอร์โทรศัพท์มีสองหมายเลข0 8858 ห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้ากับศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกนสองหมายเลขอ้าวบอกทวนซ้ำอีกทีหนึ่งหมายเลขที่จะหมายเลขโทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นเข้ามาได้มีอยู่สองหมายเลขนะเบอร์โทรศัพท์สองหมายเลขคือศูน5 8แปดแปดห้าแปดห้า เก้าหนึ่งหนึ่งห้ากับศู8 58แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกอ้าวทีนี้ก็มาว่า เ, วเรื่องธรรมะกันธรรมะตอนนี้คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านี่ก็แม่คมีขมั น, นออกความเห็นมาเป็นเชิงที่ทำให้เกิดประเด็น เป็นเชิงที่ทําให้เกิดประเด็นที่อาตมาเห็นว่าเออประเด็นอย่างนี้แหละแต่อาตมารับทราบแล้วก็นํามาเป็นเหตุปัใจจัยในการที่จะเอามาใช้อธิบายขยายความเพราะความเห็นอย่างคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านี่มีมากในชาวอโศกโอ้ในชาวชาวพุทธทั้งหลายในชาวพุทธทั้งหลายเป็นความเห็นอย่างคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้นี่มีมาก เสื้อตมาก็ขออภัยที่ต้องกล่าวว่ามันยังมิฉาทิฏฐิอยู่มันยังมิฉาทิฏฐิอยู่อย่ า, ยางเนี้อ่ซึ่งอตาตมาก็เข้าใจก็เห็นใจนี่เป็นความจริงใจขออภัยในที่ต้องกล่าวอย่างนั้นเพราะอาตมา เ, เลี่ยงไม่ได้จะไปพูดไม่บอกชัดเจนก็ไม่ได้บอกชัดเจนไม่ได้คมไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะ่นและเพราะความเห็นต่างกันได้คนนึงเห็นอย่างนั้นคนหนึ่งเห็นอย่างนี้อาตมามีสิทธิ์ที่จะว่าอันที่ต่างกันที่อาตมา เข้าใจหรือเห็นอยู่ว่าอย่างนี้เป็นสมาธ e ิิิฐอันที่เห็นต่างที่ขัดแย้งอยู่อาตมาก็ว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นธรรมดาผู้ที่ยึดถือทำที่ที่อาตมาว่ามิจฉาทิฏฐินั่นถือว่าอย่างที่อาตมาว่ามิจฉาทิฏฐิในแต่ท่านว่าของท่านสัมมาทิฏฐิท่านก็มีสิทธิว่าอาตมาว่าที่อาตมาเห็นเนี่ยเป็ทิฏฐิเนี่ยอาตมาท่านก็ว่าอาตมาเป็นมิจฉาทิฏฐิได้นะต่ว่าไม่รู้จะว่าไม่สามารถเข้าใจของท่าน จะว่าอาตมาโง่อาตมาแมโง่อย่างหนักนาสาหัสยังไงต่างๆนานาก็ว่าไปอาตมาก็เข้าใจก็ฟังรู้ว่าท่านตำหนิอาตมาจ้าท่านว่าอาตมาอย่างนั้นอาตมาก็ทําการเข้าใจอยู่ว่าเอออาตมาโง่หรือว่าอาตมาไม่เข้าใจจริงหรือซึ่งอาตมาก็มั่นใจว่าอาตมาเข้าใจที่ท่านเข้าใจอย่างที่ท่านทําที่ท่านเป็นท่านนี้อยู่อย่างคุณแปดจ็ดูหน้าที่ท่านพูดท่านอะไรเนี่ยอาตมาเข้าใจ ลักษณะเหล่านั้นหลายอย่างอาตมาเคยผ่านมาเป็นได้แล้วเห็นเลยว่าอ๋อไอ้อย่างที่นั่นมันยังมิชัดทิฐิอยู่แล้วเราก็เคยเป็นเคยมีมาก่อนแต่เมื่อมาถึงสมาธิิฐแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นอาตมาก็เอามายืนยันนะอย่างที่เป็นอย่างที่คุณแปดเจ็ศูนห้าว่ามานั้นเยอะอาตมาก็ผ่านมาแล้วก็เป็นไปได้ตามที่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าว่า อาตมาก็ยืนยันพูดไปไม่ได้โกหกไม่ได้พูดอวดอุตริมุตามอวดที่สิ่งที่ไม่มีในตนอะไรมีสิ่งเหล่านั้นมีก็บอกไปตรงๆว่ามีทั้งสองอย่างเช่นฌานสองอย่างฌานทั้งแบบนั่งหลับตานิโรธทั้งสองอย่างนิโรธทั้งแบบหลับตาหรือแม้แต่ที่จะไปปั้นอะไรจะอะไรที่เป็นเรื่องมโนมยะอัตตาอย่างโน้นอย่างนี้อาตมาก็เคยผ่านเคยเป็นเคยมีเคยเล่นมาเยอะ เขาบอกว่าไม่มีปัญหาอาตมาเข้าใจแต่อยากที่อาตมามีหรือเป็นที่อาตมามั่นใจวันนี้สมาธิินี่แหละทีเจตมาพยายามอธิบายแต่ท่านก็ปิดประตูไม่มีประโตโูโคสะตีทิ้งเลยไม่พยายามศึกษาอันนี้ก็น่าเห็นใจน่าสงสารด้วยน่าสงสารเลยไม่เปิดประตูรับไม่รับฟังด้วยอะไรต่ออาตมาก็พยายามอ้างอิงว่าอาตมาสอนต ร, ตรงตามพระอนุสาสนีตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็พยายามทำความเข้าใจอันใดที่อาตมา ต, ตำหนิซ้อนว่าในพระเจ้ปิฎกก็ดีที่ท่านแปลว่าอันนี้ยังไม่เคยตรงนักอาตมา ก, ก็บอกว่าอันนี้ไม่เคยตรงนักด้วยความจริงใจไม่ได้ต้องการข่มอะไรอาตมาเห็นอย่างนั้นแต่ท่านเห็นอย่างที่อยู่ในพระเจ้ปิฎกแปลท่านเข้าใจได้ปฏิบัติได้ก็ไม่ว่ากันก็ของท่านแต่ของอาตมาเห็นอย่างนี้แล้วเห็นเป็นอย่างนี้อาตมาก็แก้ ที่เห็นว่ามันไม่ไม่ไม่ตรงกับที่อาตมามีสภาวะอย่างที่อาตมาเป็นมีที่อาตมาที่เป็นที่มีน่อย่างนี้เป็นต้นอ่าเมื่อวันที่เก้าคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าวันที่แปดอาตมาเอามาอ่านสามหน้ากระดาษยังไม่ได้ตอบนาอ่านไปในวันอ่าวันที่ปฏิปฏิเก้านั่นแหละอ่านไปในวันที่เก้านี่ยส่งมาวันที่แปดวันที่เก้าอาตมาวันที่เก้า ยังไม่ได้ตอบอ่านไปเท่านั้นพอเสร็จวันที่เก้าทุน8705ก็ s m s มาอีกนะก็ต่อจากวันที่แปดนั้นก็เลยอยากจะอ่านของวันที่เก้านี้ต่อสักก่อนแล้วค็ยขยายความรวมเงนไปถึงวันที่แปดนั้นนะวันที่เก้าที่คุณ8705ต่อนะ s m s ต่อมานี่บอกว่านะ่า สมมุติว่าเป็นคืนวันเพ็ญอ่างนั้นเลยนะคือพยายามคิดหาข้ออ้างเปรียบเทียบ อ, อะไรมาเยอะซึ่งอาตมาเข้าใจเห็นใจอยู่เหมือนกันนะพยายามที่อาตมาเข้าใจตามอาตมาเข้าใจอาตมาไม่ใช่ไม่เข้าใจอย่างที่คุณแต่เจ็ดศูนหน้าว่านี่ยมีเหมือนกันบางอย่างอาตมาก็ไม่เข้าใจงงๆอยู่เหมือนกันก็มันก็มันจะหานแย้งกันสับสนมันไม่เป็นเรื่องอะมันอาตมาก็ดูไม่ออกอ่า อธิบายมาแล้วอาตมาก็พยายามจินตนาการตามหรือตามสภาวะที่คุณเจ็ดแปดจูนหน้าว่ามานั้ยตามที่อาตมาเคยผ่านเคยมีเคยเป็นมันบางอย่างมันไม่มีไม่เป็นเลยงงๆเหมือนกันนะอาตมาก็คือบางทีคุณแปด5จศูนหน้าอธิบายว่า ช้างเป็นอย่างงี้นะหัวจะมีจะงอยปากเหมือนกระศพไก่อย่างนี้เป็นต้นอาตมา ก, ก็เอ๊ะช้างจะงอ ย, อยงนี้อาตมาไม่เคยผ่านนะช้างมีจะงอยปากเหมือนเหมือนศพศพนี่ก็คือปากของเขาเนี่ยไก่อะจะงอยปากของไก่มันก็เป็นดัมแรมขอกมันบางทีนี่เปรียบเทียบอะนี่เปรียบเทียบอะบางทีคุณไก่สออธิบายมายคห้ายอย่างงั้น อาตมาก็จินตนาการตามหรือว่าตรวจสภาวะจริงที่ตนเองเคยมีเคยเป็นตามงงนี่มันไม่น่าจะมีไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เป็นไปอย่างนี้อาตมาก็ว่าเอออาตมาอย่างงี้ก็งงอ่แต่ก็ไม่ว่ากันว่าเออคุณแปดจ็ดศหน้าอาจจะเป็นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะเอาลองอ่านของคุณแปดจ็ดศนหน้าของวันที่๙ว่าว่ามาว่างี้สมมุติว่าเป็นคืนวันเพ็ แน่คุณยันจันนัดประพัน์เลยนะสมมุติว่าเป็นคืนวันเพ็ญพระจันทร์อยู่กลางท้องฟ้าพอดีนะอ้าวจินตนาการตามคํากล่าวของคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านะนะพระจันทร์อยู่กลางฟ้าพอดีแล้วให้พอทรอหนาโพธิรักอัตมาจะไม่รีบอ่านพอทรออัตมาจะกล่าวว่าโพธิรักเลยก็แล้วกันแต่พอทรอตัวไหนเนี่ย สมมุติว่าเป็นคืนวันเพลนพระจันทร์อยู่กลางท้องฟ้าพอดีแล้วโพธิรักษ์ลองไปยืนกลางถนนแงนหน้ามองขึ้นไปที่พระจันทร์บนท้องฟ้านั้นเสร็จแล้วลองวิ่งไปตามถนนโดยขณะที่กําลังวิ่งนั้นโพธิรักษ์จะต้องแงนหน้าจ้องไปที่พระจันทร์เป็นจุดเดียวด้วยแงไปที่พระจันทร์จุดเดียวด้วย และโพธิรัก์จะรู้สึกได้เองว่าโพธิรักษ์กลังวิ่งแบบไม่ได้วิ่งโพธิรักษ์กำลังวิ่งแบบไม่ได้วิ่ ง, า ง, ง, บบงหากไม่เชื่อก็ไปทดลองดูได้อยู่แล้วซึ่งนิกายเซนบอกเลยว่าใบไม้ไมิได้ไหวทั้งลมก็มิได้ไหวแต่จิตของโพธิรักษ์เองตหากที่ไหวโอเคนะ จะดูที่ตัวหนังสือในกระดาษในจอก็จะเห็นด้วยว่ามีโอเคเลยนะว่างั้นออย่างนี้เป็นต้นนเอาตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันว่าอาจะมาจะลองไขความตรงนี้ดูบ้างว่าความเห็นอย่างคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าหรืออย่างที่คุณแปดเจ็ศูนอ้างอิงว่าแบบเซ็นคิดอย่างนี้นี่แหละที่อาตมาก็เข้าใจเข้าใจที่อาตมาก็ ทำไดอ้อย่างที่คุณพูดอัตมาไม่มีปัญหาแนละ้วทำได้อย่างที่คุณว่าเนะี่ยใช่อัตมาจะทําอย่างนั้นด้วยและก็รู้สึกอย่างที่คุณได้อธิบายมานะี่ยเป็นเป็นอย่างที่คุณว่าแต่อัตมาถือว่าอันนั้นก็คือชนิดหนึ่งสภาวะชนิดหนึ่งที่เป็นเรื่องของโลกีโลกีสามันไม่ได้ยากอะไรนะไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าจะอธิบายเป็นหลักวิชาก็คือไออย่างนั้นนะ่ะ มันเป็นจิตของเราจิตของเราเองนี่แหละโดยทําจิตของเราให้มันจ้องจิตจ้องเหมือนกับที่นั่งสะกดนั่งสมาธิหลับตาในจิตไปสะกดอยู่ข้างในแล้วก็นิ่งทุกอย่างก็หายไปทุกอย่างไม่มีมันจะวิ่งมันจะไม่วิ่งมะไก็หายไปแล้วก็จะนิ่งอยู่กับจิตที่เราสะกดจิตอยู่ตรงนั้นนิ่งทุกอย่างมันจะเครื่อนย้จะไม่รู้สึกเลย ทำได้คนไม่ต้องถึงเก่งอะไรก็ทําได้เรียกว่าว่าภาษาวิชาการว่ามโนมยอัตตาเป็นอัตตาชนิดหนึ่งสะกดจิตแล้วก็ให้นิ่งนิ่งหยุดจน ก, กระทั่งจิตนิ่งอยู่กับอันนี้จุดเดียวไม่รับรู้อย่างอื่นไม่รับรู้อย่างอื่นอย่างอื่นจะเคลื่อนจะไว้จะเป็นยังไงยังไงยังไงจะเขาจะเป็นยังไงอยู่แม้ตัวเราจะไหวตามก็ตาม แต่ร่างกายเราจะไว้ตามกูาตามแต่ถ้าจิตตะกอดแน่นอยู่ที่จุดนั้นหนึ่งแล้วมันก็เหมือนก็ไม่มีอะไรไหวเพราะจิตของเรามันมีหนึ่งเดียวเข้าไปจุดสะกดจะอยู่นั้นเรียกในภาษาทางวิชาการทางสายทางสายโน้นแหละสายโลกีเขาก็เรียกเอกคตาเป็นหนึ่งอาตมาไม่ได้แปลกใจอะไรนะเป็นเอกคตาแท้ๆซึ่งสร้างปั้นจาก สัญญาหรือการกำหนดหมายของตนจนสำเร็จแล้วก็สร้างจนสำเร็จแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าอันนั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆอัตตาอย่างนี้เรียกว่าโมโนมยัตตาคืออัตตาหรือรูปหรือจุดหรือสภาวะนั้นๆนมันสำเร็จขึ้นมาอัตตาในแปลว่าสิ่งที่ยกขึ้นสมมติขึ้นแล้วสำเร็จด้วยจิตอัตตาหรืออัตตนี่อ่า เพราะฉะนั้นจะเอานิ่งหรือเอาว่างหรือเอามีปั้นสร้างเป็นขึ้นมาก็ยังได้เลยเรียกว่ามาโนมยัตตาให้มีสภาพนั้นขึ้นมาตั้งๆที่มันไม่มีปั้นจนสำเร็จก็มีได้น่ะอันนี้อย่างนี้แหละอาจจะมาบอกได้เลยว่าคุณ8705เนี่ยอาจจะเคยสร้างขึ้นมาเป็นได้ด้วย แต่ไม่รู้ว่านี่คือมโนโมย ต, ตายกตัวอย่างเช่นคนที่ไปนั่งสมาธิหลับตาแล้วเสร็จแล้วก็ปั้นรูปของเทวดาเห็นรูปเทวดาเลยมีรูปร่างตัวตนมีหน้าใสเชดาหรือแล้วแต่จติตตนาการหร้ แ, แต่จะสมมติของตนเองสัญญาของเรียนปั้นเป็นอย่างไรกระหน่อมไม้อย่างไรมันก็จะเป็นอย่งงางเงินตามอุปท า, านของตนเองเกิดมาสาเร็จด้วยจิตจํานี้แหละคือ มนโนมายะอัตตาอย่าว่าแต่เข้าไปปั้นอยู่ในภพผวังนั่งสมาธิอัตตาเข้าไปแล้วก็ไปปั้นเป็นรูปสวรรค์วิมานเป็นเทวดาเป็นผีเป็นแสงเป็ น, ปนตัวเป็นตนเป็นรูปเรื่องนั้นหรืมีอะไรก็ได้แต่เธอะต้อลืมตาเป็นๆ น, นี่แหละถ้าอุปทานนั้นสําเร็จจริงๆเลยเช่นมันมันม่นใจเลยว่าอันนี้เนะี่ยมันคือผีเขาก็เห็นผีเห็นว่าวิญญาณผี มีรูปอย่างงั้นมีผีนางนาศมีผีพรายมีผีอ อ, อะไรผีกระสือมีผีอะไรที่ปั้นกันขึ้นมาแล้วก็เชื่อตายขึ้นมาหรือปั้นเองสร้างเองเสร็จแล้วก็เห็นจริงๆนะเขาเห็นจริงๆอันตราเล่าแม้กระทั่งเชิงเป็นวิทยาศาสตร์ทางสะ ก, กดจิตแล้วก็พิสูจน์กันมาแล้วจิตไี่เป็นได้ไงส ก, กดสะ ก, กดแล้วก็สร้างให้เห็น สิ่งที่ข้างหน้าเขาเห็นจริงๆซึ่งอาตมาก็พูดซ้ําเคยที่เล่าบ่อยๆก็คือว่าสัากดจิตเขาไว้ว่าตอนหน้าลืมตาเขนมาจะเห็นเสือจําได้นะหลายคนได้เคยได้ฟังอาตมา ก, ก็สมมุติเห็นเสือคนค น, นี้ลืมตามาเห็นเสือจริงๆวิ่งต้องรีบจับเขาแล้วก็ปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาบอกมันไม่ใช่หรอกมันไม่มีวิ่งเลยรีบกลววเสือ นะอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ที่สุดทําให้รู้สึกว่าเป็นจริงเช่นว่าเราทํากันถึงอย่างนี้น่ะสะกดจิตแล้วก็บอกว่าเอานาต่อไปนี้จะเอาเหล็กเผาไฟแดงๆพาดเขา่าตีเข่าที่แขนระวงังอ่าเอาเหล็กที่เผาไฟแดงๆพาดเขา่าตี ป้าเข้าที่แขนแปะเข้าที่แขนแล้วเราก็เอาไม้บรรทัดหรือเอาดินสอนที่ไม้ที่อยู่ข้างๆที่มีเนี่ยเราเอาอุปกรณ์แต่ปั๊บก็ที่แขนเขานี่ยตามที่เราสั่งเขาจะรู้สึกว่าถูกเหล็กเผาไฟแดงๆผ้าปับ๊บสลับร้อนแล้วแขนก็จะพองขึ้นมาเลยแดงพองขึ้นมาเลยเกิดจริงเป็นจริง เพราะคนหนังเหนียวคนที่จะ อ, อ, อะไรต่างๆนาเดินบนไฟไม่ไม่ไม่ไมไมรอดมันไม่มีปัญหาเลยอาตมาทำมาหมดแล้วนะ่ะเป็นเรื่องพลังทางจิตหรือว่าเรื่องของจิตมโนมิยอัตตาสร้างสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นอรูปก็ได้เป็นรูปเป็นร่างก็ได้นะ่ะทั้งแพทยเขาก็บอกว่าเป็นพวกภาพหลอนถ้าเสียงก็เรียกว่าได้ยินเสียงนะ แต่เสียงไม่มีเราแต่คนนี้ได้ยินเสียงก็เรียกว่าเสียงเสียงแววหูแววตาหลอนอะไรพวกนี้มันมีได้นะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านาศาสนาพุทธเจ้าสอนไว้ละเอียดชัดเจนอาตมาก็รู้จักทางศาสนาแต่ก่อนอาตมาตั้งแต่ยังไม่ชัดเจนไม่ได้ความรู้เก่าความรู้พวกนี้นจริงจริงอาตมาผ่านมาตั้งแต่อดก่อนแล้วนะแต่ชาตินี้ก็ยังอุตส่าห์ไปเล่นไสยศาสตร์ตึงลมอมก็พองต่อไปอีกก็ยังทา อาตมากระลึเซนิสารเล่นทิกทิลือเป็นนี้เลยเอาพิณิหารความเก่งความกาดอะไรพวกนี้มีอาตมาไม่อยากเล่าเพราะว่ามันเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องที่พาให้เป็นกิเลสอาตมาไม่ส่งเสริมนั่นก็เลยไม่อยากจะรื้อฟื้นอะไรนะเพราะงั้นที่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าพูดมาอีกเยอะที่อาตมาเองอาตมาไม่ได้พาดถึงหรือ ก, กล่าวถึงสิ่งที่อาตมารู้อยู่แล้วก็คุณแปดเศูนห้านี่ก็ยังขออภัย ยั ง, ลงหลงไหลเชื่อมั่นเชื่อถื อ, ถ อ, อสิ่งเหล่านี้อธิกาก็ก็เห็นใจนะั้นเมตตาสงสารอยู่แต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็นามาอธิบายสู่ฟังนะเพราะงั้นคนที่ทําให้เกิดอย่างนี้เนี่ยนะแม้จะบอกว่าปั้นพบว่างที่เป็นอรูปประชานนั่งสมาธิเข้าไปเป็นแสงสว่างว่างอากาซ่าหรือที่พระพุธธทธเจ้าตรัสว่าเป็นอภัสราพรม ผมจิตสว่างมีแต่แสงสว่างลง่องมีสว่างโอโหลง่งสะอาดสว่างไปหมดเลยไม่มีอะไรมีแต่แสงสว่างก็ว่างสบายนะความรู้สึกแาบนั้นก็าเรียนรู้วันนั่นแล้วจิตว่างแล้วจิตว่างจากกิเลสจิตว่างจากอะไรแล้วซึ่งมันต่างกันนะกับจิตมันว่างจากกิเลสกิเลสเป็นอัตตากิเลสเป็นภาวะ ที่เรียกว่ามันเป็นตัวตนที่คนนั้นยึดเขากลิก่นเป็นภาษานณะว่าอัตามันก็เป็นสภาวะหนึ่งที่คนยึดมียึดเป็นแต่เสร็จแล้วผู้ที่รู้แล้วปฏิบัติทําตามาพระเจ้าจนกระทั่งเกิดปัญญาญาล้างความยึดมั่นถือมั่นนี้ออกซึ่งแล้วนั้นก็หายไปกิเลสไม่มีหมดจิตก็ว่างจากกิเลสนี่เรียกว่าจิตว่างไม่ใช่ว่ามันใสมันโล่งเป็นภพชาติชนิดหนึ่ง เป็นพบแห่งความว่างใจว่างโลง่งฟังให้ดีนะว่ามันต่างกันนะเพราะผู้ที่นั่งสมาธิเขาไปสร้างพบว่างในในจิตแม้แต่สร้างนิโรธทำให้จิตดับไม่รับรู้ก็เป็นพบชนิดหนึ่งเป็นพบสุปกินาห้าพรมพบมืดกินาห้าในแปลว่ามืดดำมืดอย่างนี้เป็นต้นเป็นพบเป็นชาต นะซึ่งมันไม่ใช่ว่างจากกิเลสพอดับมืดก็นึกว่าดับกิเลสไม่ใช่การดับกิเลสก็เป็นนั่งดับอยู่ในภวังหรือในภพมืดอยู่นั่นออกมาจากนิโรธก็ไม่มีแล้วมืดก็ไม่มีแล้วนิโรธอยากจะได้โรธนั่งมืดเข้าไปอีกแต่ก็ออกจากนิโรธเพราะงั้นนิโรธของนั่งสมาธิก็ต้องออกออกเข่ า, ขาแต่ของพระเจ้านั้นได้นิโรธนี่ใช้ภาษา อุปัชติเหมือนกันล่วงพ้นก็ใช้สมติกามะเหมือนกันหรือแม้แต่ที่สุดท้ายเรื่องบุษฐานนะเรียกว่าหลุดพ้นแล้วล่วงพ้นไปแล้วใช้สับเดียวกันแต่หลุดพ้นล่วงพ้นนี่เขาก็ไปแปลว่านั่นแหละล่วงพ้นหลุดพ้นดับอะไรเนี่ยในวินิโรดนั้นแต่ต้องกลับมาใหม่อีก แต่ของพุทธจ้านั้นะล่วงพ้นเลยไป แ, กกแล้วก็แล้วไปได้ท้าวรแข็งแดงแล้วไม่ต้องกลับไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกลืมตาอยู่ตรงเนี้ยเสื้อตั้มา ก, ก็ยากที่จะทําให้เข้าใจเพราะว่าพุทิยุทธสิ่งที่มันมีตัวตนแล้วก็พูดในสิ่งที่มันไม่มีตัวตนให้ฟังเนี่ยนะเป็นอนัตตาหรืเป็นตัวไม่มีตัวตนพุทิยุทธตัวตนอย่างไงก็ไม่ค่อยเข้าใจฟังยังไงฟังไม่ค่อยออกไม่ค่อยได้ แล้วก็ฟังไม่ตั้งใจฟังให้ดีด้วยมีเหตุมีผลมีเหตุตกใจอะไรที่อาตมาพยายามอธิบายแต่ฟังแล้วยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นแล้วไม่มีปรตโตโคสานี่หมายคำว่าจิตมันไม่ไม่เอาอันนี้มั่นแล้วอันนี้ถูกอย่างนู้ผิดย่นถูกเย่งนั้นผิดคุณฟังให้ตายอีกล้านครั้งคุณก็ไม่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันมันไม่เห็นว่าเอ๊ะมันจะมีหรืออย่างนี้มันจะจริงหรือพระตีทิ้งซะแล้วไงไม่มีปรตโตโคส หือแม้จะฟังอย่างไม่เต็มที่ฟังอย่างเสียไม่ได้มันก็ไม่ใช่เข้าใจง่ายเพราะว่าประมาติมันเป็นเรื่องลึกซึ้งคมภีราทุทตสาทุรนุปโพตาลึกซึ้งเห็นตามได้ยากรู้ตามได้ยากทุทตตาเห็นตามได้ยากทุรนุปโพธารู้ตามได้ยากมันเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆหลวงกุติราเรื่องว่าของขอบประมัตพาจารย์นะเพราะฉะนั้นในความรู้สึกเรียกว่าเวทนาเนี่ย เวทนารู้สึกว่าว่างรู้สึกว่ามีรู้สึกว่าไม่มีรู้สึกว่ามืดรู้สึกว่าสว่างแม้แต่รู้สึกว่าทุกข์รู้สึกว่าสุขคือความรู้สึกหรืออาการของเวทนาเจตสิกทั้งสิ้นร่างผู้ที่ไม่มีความสุขความทุกข์ไม่มีทุกข์แล้วเดี๋ยวอาตมาจะได้อธิบายเพราะว่าคุณ กายเจสูน่านี่บอกว่าทุกมัเป็นก้อนทุกอยู่ที่ตัวคนบุคคลเราเขาเดินทุกข์ด้วเจ้าได้อธิบายฟังว่าพราะพุทธเจ้าไม่เคยสอนเนีไปเห็นคนเดินก้อนทุกข์เดินเดินไม่มีให้อ่านเวตนาเป็นทุกข์ให้รู้จักเวทนาอานัการลิงข้นิมิตอุเทศให้ออกว่าเทเวทนาเป็นอย่างนี้นแล้วมันก็เกิดจากเหตุปัจจัยมีตัณหาเป็นเหตุจึงเกิดเวทนาดับตัทหาจะได้เวทนาก็ไม่เป็นเวทนาดังที่เราเป็นแล้วคือเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เวทนามีสวรรค์มีนรก หรือเวทนาที่เกิดจากกิเลสเป็นเหตุเมื่อดับกิเลสหมดแล้วเวทนาที่เกิดจากกิเลสเป็นเหตุก็ไม่มีแล้วศูญแล้วว่างแล้วนิพพานแล้วนิโรธแล้วนี่คือนิโรธนิโรธไม่ได้หมายความว่าเป็นดับเวทนาทั้งหมดแต่เวทนาตัวใดที่มันเป็นของโลกีตัวใดที่มันจะต้องวนเวียนเกิดหมดแล้วก็ตัวชั่นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปที่โลกีหลอกเอาไว้ว่านาดายนามีนาเป็น แล่เราก็มาเรียนรู้ว่าอ้าวอันนี้เระไม่ต้องหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นไม่ต้องมีไม่ต้องเป็นนี่แหละคือมันดับเหตุจนกระทั่งไม่มีไม่เป็นมันก็หมดมันก็ดับไม่มีพกไม่มีโลกมันมีชาติไม่มีพพไม่มีชาติไม่มีตัณหาไม่มีเหตุไม่มีเวทนาที่จะสุขจะทุกข์กับมันอีกแม้จะผัดสับยังไงมันก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะในความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นเวทนานี้เนี่ย ถ้าเผื่อว่าไม่รู้คุณก็ไปสร้างเวทนาขึ้นมาเองเป็นมโนมยัตตาเวทนานี้เป็นเจตสิกเป็นภบเป็นชาติที่จิตหรือเจตสิกถูกสร้างขึ้นมาเป็นภบว่างเป็นภบดำเป็นภบมืดเป็นภบสว่างเป็นภบมีตัวตนเป็นภบมีลีลามีเทวดามีมนุษย์เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นางนั่นแหละ การสร้างความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาให้ตนสเสวยเป็นพบนี่แหละมันเป็นเรื่องที่คนไม่รู้ยังมียังสร้างยังมียังเป็นอยูไ่ไม่หมดไปจากจิตนะเพราะว่าประมัิของจิตของขุนเจ้านั้นหมดการสร้างสภาวะพวกนี้ขึ้นมาที่เรียกว่าภาษาที่เรียกว่าอัตตนี่แหละตัวตนนี่แหละนะแม้จะเป็น อรูปเป็นตัวตนแต่ไม่มีรูปร่างก็ยังมีเลยยางว่างเงี้ยอพัสราพรมแสงว่างสว่างไปเฉยๆโลง่งๆอย่างนี้นี่เป็นต้นหรือมือดดำไม่มีอะไรเลยเป็นอสัญญาสัตว์ถึงเป็นความมืดเรียกว่ากินนาฮารือในวัชัญญานาสัญญาดับแล้วก็เป็นอสัญญีสัตว์เหมือนกันหรือเป็นกินนาฮ่าเหมือนกั น, นเป็นภาวะมืดดดั บ, ดบ เหมือนกันนะเพราะงั้นความลึกซึ้งละเอียดพวกนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ผู้ที่ยังไม่สมาธิ ท, ทีเดียวก็จะเข้าใจได้ยากนะเพราะนั้นจะไปบอกว่าอันินนิ่งนั้นะวิ่งตะวิ่งไปเธอแล้วติดอยู่ที่พระอาิพระจนั น, เน์เพ็นานนะไปเราจะวิ่งแล้วงเหมือนเราไม่ได้วิ่งเหมือนเราไม่ไอาจมา เข้าใจเป็นได้เป็นสภาพหลอกตัวเองลวงตัวเองแท้จริงเนี่ยเราไม่ได้นิ่งเราวิ่งอยู่แต่จิตเรานิ่งแล้วคนนี่แหละก็เป็นวิชาไม่ใช่วิชาของพรธเจ้านะเป็นวิชาการหรือเป็นความรู้ชนิดหนึ่งของลัทธิอีกอย่างหนึ่งซึ่งพุทธรู้จักว่าอันนี้มันไม่ใช่เป็นเป็นสภาพที่กิเลสนิ่งกิเลสดับกิเลสว่างมันไม่ใช่ มันเป็นการว่างที่เกิดมโนมยภาพตานี่นี่ก็ประเด็นอันนี้ซึ่งยกตัวอย่างมาหลายทีแล้วเรื่องคล้ายๆงี้ที่บอกว่าไอเดี๋ยวจะย้อนไปว่าวันที่แปดที่เราโอ้โหมีอะไรจะอะไรอ่าต่างๆนานาเป็นเรื่องเป็นราวเดินขึ้นสะพานลอยอ่าจนกระทั่งลงมาเห็นคนซ้อนมอเตอร์ไซค์เห็นอะไรได้ต่างๆนานเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกนะฮะทีนี้อีกอันหนึ่งที่คุณนี่พูดบอกว่าอวิชา คุณแปดเจ็ดศู น, น 8, าต่อมาบอกว่าอาวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขาร น, นี่เป็นโคดเอาของพระพุทธเจ้ามาจากตําราจากพระพิพิธศึกษาวิชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปแล้วก็จุดจุจุดไปแล้วก็มันนามรูปก็กอยเกิดาสริยะตนะนักนะ สรีตนาเกิดปัจจัยให้เ네กิดเวียนานี่แหละก็ไล่ไปตามพระไตรปิฎกเลย่ะปัจจัก็เกิดเวียนาเวียดนาก็ให้เกิดตัณหาตัณหาให้เกิดอุปทานอุปทานก็ให้เกิดพบพบก็ให้เกิดชาติชาติก็ให้เกิดทุกทุกให้เกิดอันนี้มาต่อว่าทุกก็ให้เกิดศรัทธาแล้วศรัทธาก็ให้เกิดปราโมทปราโมทก็ให้เกิดสุขสุขก็ให้เกิดปัสจัตธิอันนี้แหละคุณแปดเจ็ดศูนย์ห โมเมเดี๋ยวอาตมาจะเอาปฏิปิปดเล่มสิบหกมาอ่านเลยมันจะมีสูตรสายอนุโลมและปฏิโลมสายดับและสายเกิดแต่คุณนี่เอาสายเกิดแล้วก็เอามาต่อเป็นสายดับไปโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีภาวะที่จะต้องว่าทำยังไงจึงดับเล่นโมเมมาม า, มาโยงต่อกันไปเฉยๆนะ่ะว่า ให้เกิดปัจะให้เกิดเวทนาให้เกิดตัณหาให้เกิดรูปตานให้เกิดพบให้เกิดชาติให้เกิดทุกข์ให้เกิดศรัทธาให้เกิดปราโมทให้เกิดสุขให้เกิดปัสสธิให้เกิดยะถาพุทธญาณทัศนะให้เกิดนิพพิทาให้เกิดราคะเให้เกิดวิราคะให้เกิดวิมุตติทั้งๆที่มันเกิดนามู้เกิดสริยตนาเกิดปัสจะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดรูปตาเกิดพบเกิดชาติเกิดทุกข์เกิดอะไรนี่นะเกิดทุกข์นะแล้วต่อไปเพราะทุกข์เป็นปัจจัย ถ้าจะอธิบายมาจากต้นว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนะนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสาริยตนะแต่สาริยเป็นปัจจัยให้เกิดปัสสาวะปัสสาะเป็นปัจจัยเกิดวิทราเมตนาเป็นปัจจัยให้เกิดตหาตันะเป็นปัจจัยเกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยใเกิดพบพบพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ทุกข์เป็นปัจจัยให้เกิดศรัทธาถ้าจะต่ออย่างที่คุณนี่ต่อเอาไว้ไปใช่ไหมมันโมเมขนาดนั้นเนี่ยนะทุกข์มันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดัทธา ศรัทธาเป็นเปิดเหตุปัจจัยให้เกิดปาโมดเวนจ ร, จริงๆเลยนี่หลอกคนโง่ไปคนโง่ก็หลงมาโอ้โหคนนี้เก่งชามัดเลยนะไม่ได้เห็นหลักฐานไม่ได้ศึกษาด้วยเชื่อคุณแปดเจ็ศูนย์ห้าไปเลยก็ผิดไปหมดเลยเขารกเข่าพงไปหมดนะเพราะงั้นมันจะเกิดศรัทธาและเกิดปราโมดเกิดสุขเกิดประสุันที่เกิด ยถาปุตตะยานทะจะให้เกิดนิพิทายานเอ็ก็ให้เกิดวิราค้าให้เกิดวิมุตต์เนี่ยจากปัจจยาการที่เริ่มต้นจากเอาวิชาแล้วมาสุดที่วิมุตต์นี้นี่คุณของคุณแปเจ็ดศูนย์ห้าว่านะจากปัจจัาการนั้นมาเกิดจกนกระทั่งมาเกิดจากปัจจัจยาการจากเริ่มต้นจากเอาวิชาแล้วมาสุดที่วิมุตต์นี้จึงเห็นได้ชัดว่าแม้วิมุตต์เองนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีสิ่งอื่นเป็นปัจจัยอยู่ว่า ง, งั้นเลยนะฉะนั้น วิมุตจึงยังเป็นอนัตตานี่แหละคือความมั่วหรือโมเมฉะนั้นวิมุตจึงยังเป็นอนัตตาเพราะไม่อยู่ในอำนาจความควบคุมของใครๆได้เลยนะไอการพูดถึงว่าไม่ควบคุมอยู่ในอำนาจความควบคุมนี้มันอยู่ในเหตุผลอืน่นอยู่ในบริบทอื่นแล้วเอามาปนในอันนี้เดี๋ยวอาตมาจะอ่านบริบทที่เกิดดับตัวที่สายดับสายเกิดไปต้องพูดเพราะว่าสายเกิดพูดมามากแล้วนะอ่า จากปัจจัยาการที่เกิดเริ่มต้นจากอริชาแล้วก็มสุต ท, ที่วิมุตตินี้จึงเห็นได้ชัดว่าแม้วิมุตต์เองนี้เองเองนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีสิ่งอื่นเป็นปัจจัยอยู่ทุกอย่างมีเหตุปัจจัยทั้งสิน้นแม้ดับก็มีเหตุเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นดับเหตุซะแล้วไอ้ที่เป็นปัจจัยต่อกันนะั้นมันก็ดับแน่นอนฉะนั้นวิมุตต์จึงยังเป็นอนัตตาแล้วก็เลยไปมองเมไว้เห็นไหมเมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยวิมุตติจึงเป็นอนัตตา ก็บอกว่าวิมุตต์เนี่ยนะมันเป็นอนัตตานะเพราะทุกอย่างมันเกิดมีเหตุมีปัจจัยเพราะฉะนั้นก็ไปกังวลทําไมละเหตุปัจจัยมันมีก็แล้วไปสิก็ทุกอย่างมันเป็นอนัตตาแล้วเพราะไม่อยู่ในอํานาจของความก่อกรงกใครได้เลยและเหตุนี้ในจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงสอนให้กําหนดรู้ว่าเมื่อจิตวิมุตต์ก็ให้กําหนดรู้ว่าสักแต่ว่าวิมุตต์นะฟังดีๆนะคุณแปดจะสุหน้าเนี่ย สรุปตีกินนะเมื่อจิจวิมุตส์คนที่ถึงวิมุตส์แล้วนะคนที่ปฏิบัติถึงวิมุตส์แล้วมีสายดับจนกระทั่งดับเหตุมันมาหมดแล้วมันจึงวิมุตส์มันจะมีอนัตตาแต่คุณนี่บอกว่าไม่ต้องไปปฏิบัติอัตตามันไม่มีถ้าเข้าใจแล้วว่าไม่มีอัตตาจบแล้วได้วิมุตส์เลยไล่ไปผู้จอมมาเกิดมาเตอเหตุน่ะทุกอย่างมันมันมีมันมีแต่เหตุปัจจัยเท่านั้นไม่ต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยนะก็ไม่ต้องเลย ก็สักแต่ว่าก็พอแล้วทุกอย่างอะไรเกิดก็เกิดช่างมันสิสักแต่ว่าเพราะฉะนนั้นแม่แม่ที่สุดวิมุตต์ก็ทัดปูเจ้ายังสอนว่าแม้แต่วิมุตตินี่ก็ยังสักแต่ว่าวิมุตต์นะอย่าได้พึงยินดีในวิมุตตินี้หรือถึงแม้ว่าเมื่อจิตยังไม่วิมุตต์นี่ก็ย้อนกลับมาอีกอย่ากที่เอาไอ้นี่มันมาต่อกันเนี่ยสายเกิดกับสายดับเนี่ยเอามาต่อกันเนี่ยก็เลยเอามาใช้พยัญชนะมาต่อกันว่าสักแต่ว่าวิมุตต์นะอย่าไปยินดีในวิมุตต์ หรือถึงแม้จิตยังไม่วิมุตต์ก็ให้กําหนดว่าสักแต่ว่าไม่วิมุตต์นะเห็นไหมให้ให้ตีกินเราเลยวิมุตต์ก็สักที่ว่าวิมุตต์แม้ว่ามันจะไม่วิมุตต์นะไม่วิมุตต์ก็ให้กําหนดรู้ว่ามันไม่วิมุตต์นะอย่าได้พึงยินดียินร้ายวิมุตต์ก็อย่ายินดียินร้ายไม่วิมุตต์ก็อย่ายินดียินร้ายนะอย่าได้ไปยินดียินร้ายแม้ในจิตที่ไม่วิมุตต์นี้เช่นกันวางกันเลยนะให้พิจารณาจิต จจิตตานุปัสสนาอย่างนี้คือให้จิตตานุปนะัสสนาคือให้พิจารณาปฏิบัติจนเกิดจิตเป็นอจจัติจิตตั้งแต่มันมีกิเลสละกิเลสไปเห็นความจางคลายจนกระทั่งเห็นนิโรธแล้วก็ทําให้นิโรธนี้จนกระทั่งถึงนิจั ง, งสะสะตุบังศาสตังวิมุติอย่างถาวรนไม่แปลเป็นอีกแม้ได้วิมุติแล้วคุณอย่าไปยึดวิมุติเป็นเราเป็นของเราสุดท้ายผู้มีวิมุตแล้วค่อยสักแต่ว่าวิมุตแต่นี่คุณนี่เล่นตีกินเลยบอกว่า วิมุตหรือไม่วิมุตไม่มีเหตุปัจจัยทางนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นอัตตาศักแตว่าจบคือวิชาของคุณแ7 0เจศูนย์ห้านี่ง่ายมากเลยรับเร็วนี่แหละแบบเซนที่อาตมานะสงสารพวกเซนพวกคิดอย่างนี้นี่มีเจอนะนะไม่จะนั่งคงจิละโอ้ทะลุแล้วอาตมาไม่เรียกรรลุด้วยหรอกทะลุแล้วเซนแล้วก็เป็นอย่างนี้นะสัแต่ว่า นะ้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของสัตว์แต่ว่าวิมุตต์เนี่ยนะเป็นการยึดติดบัญญัติภาษาตักกะทั้งสิ้นสัตว์แต่วนะ่าสัตว์แต่ว่าคํานี้เป็นตักกะเป็นเหตุเป็นผลเชื่อเข้าใจตามเหตุผลเท่านั้นแล้วก็มั่นใจว่านี้จบแล้วรู้แล้วพอเหตุผลนี้เข้าใจแล้วล่ะก็ จ, จบเลยนี่อ่านะ แต่ถ้าเป็นสัจจะไม่ใช่ตักกะนะตรร ก, ก, กะก็จบได้รู้แล้วก็เข้าใจแล้วทุกอย่างไม่มีตัวตนพวกคุณไม่เข้าใจหรอทุกสิ่งทุกอย่างนะมันไม่ใช่ตัวตนหรอกหรือทุกอย่างไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่อะไรละกิเล่มันเปลี่ยนกิเล่มันไม่เที่ยงกิเล่มันเอออันนี้ลักษณะกิเลส น, นี่ตอนนี้มันยึดอยู่ ตอนนี้มันไม่ได้ยึดแล้วตอนนี้มันว่างๆไปตัวจางคลายไปมันก็เปลี่ยนไปคุณก็ต้องเห็นอาการที่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นด้วยสภาวะของจิตที่คุณยึดเช่อนอาการสุขหรืออาการทุกข์ทุกเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงคุณก็อาอาการทุกข์นั่นออกอาการลิงคนิมิตเสร็จแล้วอาการนั้นมันก็ไม่คงที่มันไม่อยู่อย่างเดิมมันเปลี่ย น, ปยนแปลงจางคลายไปเบาไปสุดท้ายมันก็เออทุกข์ก็หายไป หรือสุขที่อาตมายกตัวอย่างบ่อยๆเสษสุขมันมันเดียวเดียวสุขอาการรอสุขนั้นเดียวเดียวเสร็จแล้วประเดี๋ยวมันก็หายไปคนก็เห็นวไม่เที่ยงให้มันก็หายบำเรลยตามตรงตามจิตก็หายไม่บำเพลยมันก็หายมันไม่อยู่กับมันถาวร น, นิรันดรอ์ อ, อกแต่คนก็ยังติดจึดอยู่ว่าเออไม่ได้คราวนี้คราวหน้าถูกว่าเท่านั้นเอง ข่าวนี้ได้เสกก็เอาเผาไปพักยกข่าวน่าเอาไม้อีกอยากไม่อีกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้มันไม่ได้อยู่อย่างนั้นทาวรตลอดกาลนานเลยมันสุกแล้วมันก็เท่ายิ่งกว่ปลายเข็มที่ผ่านมาแล้วก็จบถ้าคุณจะมีต่อคุณก็ยังสัมผัสต่อหรือคุณก็ยังมีสภาวะนั้นอยู่กับคุณต่อเป็นสันตติต่อมันก็มีต่อแต่ถ้าคุณไม่สัมผัสต่อมันหายไปจากแล้วสัมผัสอันนั้นแล้วก็จบแล้ว ถ้าจะมีอีกทีคุณก็นึกสัญญาความจํามาะระลึกแล้วก็ปรุงให้มันเป็นอย่างเก่าปรุงให้มันขึ้นมาอย่างเก่าให้มันเป็นสุขที่เป็นอารมณ์ลมๆแรงๆมันไม่สดมันแห้งอาจามาก็อธิบายหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าสัตว์แต่ว่าเนี่ยเป็นตักกะกักบเป็นสัจจะเนี่ยมันต่างกันผู้มีสัจจะของวิมุตต์พูดถึงวิมุตตมบรรลุวิมุตต์แล้วจะเข้าใจแล้วว่ามีการปฏิบัติ ได้มีมณสิกกาลมีการทําใจในใจนะจนกระทั่งถึงขั้นว่าอ๋อมันได้วิมุตต็ถึงจะถึงขั้นว่าตอนนี้เราก็เออวิมุตต์ก็ดีแล้วล่ะสมบูรณ์แล้วแล้วเราจะไปยืดวิมุตต์ที่เป็นเราถ้าไม่ได้เสพนี้อารมณ์นี้เราจะเป็นอารมณ์อื่นมาบ้างมันก็ไปเป็นไรแต่ถ้าเราได้แล้วถึงยังไงอันนี้จะสัมผัสจะต้องอิ่มต่อๆไปในอนาคตมันก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องให้มันวิมุตต่ออย่างงี้ตลอดไปตลอดกาลนาน มันไปเอาอารมณ์ไปอย่างอื่นเอาอารมณ์ไปคิดอื่นไปสร้างอื่นไปรู้อื่นไปเป็นอื่นก็ได้แม้อื่นที่เรายังมีอารมณ์ไม่วิมุตต์เราก็ไปแก้ไขตรงอันนั้นถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ทันวิมุตต์หมดท่ัก็สัมผณะอะไรมันก็วิมุตต์ทุกอย่างมันก็ไม่มีปัญหาแต่ผู้ที่ยังไม่ถึงอรหันต์อันนี้วิมุตต์ได้แต่อันนี้ยังวิมุตต์ไม่ได้คือคุณก็วางอาวิมุตต์นั่นก่อนอย่าไปยึดไปจะต้องได้จะวิมุตต์นี่จะแช่จะวิมุตต์ไม่ได้คุณกก็สร้างวมุตออีทีท่เหลื ทำให้เป็นมุดอีกก็ปมันก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมุมล ด, ล, ล, ด ล, ลดลงลดลงลดลงลดลงแล้วก็ไม่คุณจะเข้าใจแลว้วอ๋อมันได้แล้วถ้าเผื่อว่าอย่างของขพระพุทธเจ้านี่พอได้แล้วเนี่ยยังมีการรักษาผลอนุรักษณาประทานนะไม่ได้ทิ้งยังทำอนเนินชายังมีอภิสังขารต่อนะยังพยายามอาเซวนาภาวนาพระหฤกษ์ำมังอยู่เรียกว่า อนุรักษณาสัมปทาเพียรที่จะรักษาผลเพื่อให้มันเกิดทุกกาละสามสิบหกอดีตสามสิบหกปัจจุบันสามสิบหกอนาคตเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยดับเหตุแล้วเนี่ยมันก็จะทั้งมันไม่สุขไม่ทุกข์แล้วมันว่างแล้วก็เอาปัจจุบันทุกปัจจุบันที่นั้นก็ศึกษาเมื่อมีมีเหตุมีปัจจัยมาก็ศึกษาต่อฝึกฝนต่อมันก็ยืนยันต่อทุกเวลาทุกอันนี้เหตุปัจจัยนี้มันก็ ยืนยันให้เราพิสูจน์ว่ามันศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์จนอดีตมันตั้งมั่นแข็งแรงเพียงพอจนมันไม่มีอะไรแปลเปลี่ยนอีกมันก็ศูนย์อย่างที่อธิบายแล้วว่าทั้งส่วนที่เป็นอดีตส่วนที่เป็นอนาคตก็ตอบตัวเองได้ว่าอนาคตอีกเด็ดขาดเลยมันศูนย์ทาวรแน่นอนเป็นอวิชชาข้อที่เจ็ดทั้งส่วนอดีตส่วนอนาคตที่ง อาตมาก็อธิบายมาหมดแล้วดังนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นที่อาตมาพูดนี่ขออภัยเธอคุณแปดเจ็ดศูย์ห้าฟังอาตมาอาตมาอธิบายพวกนี้เคยอธิบายมาหมดแล้วพวกเราผู้ที่เคยฟังติดตามฟังดีๆจะรู้อาตมาไม่ได้โมเมยและไม่ได้อธิบายผิดไปจากเก่าแต่คุณแปดเจ็ดศูนห้านี่อาตมาขออภัยคุณแปดเจ็ดศูนห้าฟังไม่เข้าใจหรอกไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมันเป็นเรื่องที่จะต้องมีสภาวะจึงจะชัดเจนจึงจะอ๋อ แล้วเมื่อ น, นั้นคุณถึงจะสักแต่ว่านี่มันเกิดจากกาละเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสักแต่ว่าต้องจบกาละเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตหรือส่วนอดีตส่วนอนาคตนั้นเป็นศูนย์อย่างถาวรแน่นอนเด็ดขาดแล้วคุณก็สักแต่ว่าโดยไม่ต้องไปเอาความว่าสักแต่ว่ามาทาว่าสักแต่ว่าอย่างใช้ตกกะกรามมาวาง เป็นตักกะคุณวางนะคุณวางไนดะ้เป็น ว, วาระนะแต่มันไม่ได้ดับกิเลสนะมันทําให้ว่างไปชั่วคราวเหมือนกับคุณเองคุณคราวนี้อันนี้แม่มันน่าจะได้แต่เสร็จแล้วมันแยกไม่ได้เอาไว้ก่อนะกาละนี้เอาไว้ก่อนน ะ, ะนนนะแต่คุณก็วางคุณก็ว่างคุณก็ไปเรื่องอื่นแล้วแต่คุณยังมีอุปทานยังยึดอยู่คุณยังอ่ามันไม่ได้คราวนี้เอาไก่อนตัวเอง ุณไม่ได้จบนะคุณไม่ได้วิมุตนะกณไม่ได้ไน่โรดอะไรนะเอขอขอไปแต่ลองพูดพูดทถา ม, ถา ม, ถามหอว่าคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าฟังแล้วนี่เข้าใจมากงไม่เอ่ยน่าจะเข้าใจดีนะเพะเป็นคนฉลาดอัตมาเป็นคนโง่อุตสาหพยาอันิบาให้คนฉลาดฟังมันน่าจะได้ คนฉลาดอธิบายคนโง่ฟังคนโง่โง่มันก็โง่มันมีนมหนหอะไล้อคนฉลาดนี่คนโง่ อ, อธิบายอะไรให้ฟังนก็น่าจะเข้าใจอะไรได้หมดเนาะคนโง่ อ, อธิบายให้ฟังนันเพราะนะันก็คุณอาจารย์สุนทรพูดต่อว่าสัตว์แต่ว่าเนี่ยนะแม้ที่สุดได้วิมุตต์แล้วจิตวิมุตต์แล้วกําหนดรู้ว่าวิมุตต์ให้กําหนดรู้เท่านั้นนะสัต์แต่ว่าวิมุตต์นะอย่าไปถึงยินดีในวิมุตต์หรือแม้ถึงแม้แม้จิตยังไม่วิมุตต์ ก็ให้กําหนดรู้วสักแต่ว่าไม่วีมุิอย่าพึงไปยินร้ายอย่าไปยินร้ายกับไม่มีมุดแม้ในจิตที่ไม่วีมุดนี้เช่นกันแต่โพธิรักอ่านจิตตานุปัสสนานี้แล้วไม่รู้เรื่องรู้หมดขอยืนยันว่าไม่ได้เพรอะไรไม่ได้โง่อย่างที่คุณว่าหรอกรู้จริงๆไม่ได้โกหกเลยรู้และนำมาอธิบายย้อนที่คุณฟังอยู่เนี่ยคุณฟังอัตมาสิ่จะรู้ไมล่านี่ตั้งหางแหละ อาตมาไม่ได้ขาดทุนนะอาตมา ร, รู้คุณพูดคุณอธิบายรู้จริงๆไม่ใช่ไม่รู้รู้เข้าใจชัดเจนเลยแต่คุณที่รู้อาตมาเปล่าสีอธิบายถ้าคุณไม่รู้คุณขาดทุนนะจะอาตมากําไรนะเพราะอาตมา ร, รู้อ่ะนี <c oughs> ่เป็นสัจจะนะอาตมากำไรแต่ถ้าคุณฟังอาตมาไม่รู้แล้วคุณขาดทุนเพราะคุณยังไม่เข้าใจหรือคุณยังรู้ไม่ได้แปลรู้ไม่ได้คืออะไรแปลว่าอะไร รู้ไม่ได้คือแปลว่าอะไรนอะแปลว่ายังมีปัญญารู้ไม่มีปัญญาแปลว่าอะไรแปลว่างโง่เราแปแลเราแปลเหตุปัจจัยแพรภาษาต่อภาษาให้ฟังนะไม่ได้ไปว่าคนไม่ได้ไปว่าคุณว่างโง่หรอกนเะนะี่ย่าไดพึงยินรายแม้จิตที่ไม่วิมุติเช่นกันแต่โพธิรักอ่านจิตตานุปสนานี้แล้วไม่รู้เรื่องจึงไปเปลี่ยนชื่อเอาตอนนี้ว่าอย่างนี้เลย จึงไปเปลี่ยนชื่อของวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาอาตมาบอกว่าอาตมานะมาตัวอาตมาว่าอาตมาไปเปลี่ยนชื่อวิธีปฏิบัตินะเปลี่ยนชื่อของวิธีปฏิบัติจิตตานุปัสสนาของพระพุทธเจ้านี้ให้กลายเป็นชื่อวิชาเจโตปริยาน16โดยพยายามจะโมเมชั่นนะโมเมชั่นให้หมายถึงวิ พัฒฉ า, านญาณสิบหกให้จงได้ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่นะเพราะเจโตปริญานของพุทธเจ้าไม่ใช่หมายถึงอย่างนี้นะเขาก็บอกว่าเจโตปริญานของพระุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงอย่างนี้นัเกเล็บเปิดนัเกเล็บเปิดถ้าไม่เชื่อก็ไปเปิดพระไตรปิฎกดูได้อัตมาห ย, ยิบมาด้วยนะพระไตรปิฎกเล่มนี้เดี๋ยวจะอ่านเลยนะ ถ้าไม่เชื่อก็เปิดพระเจะไปีกดูได้ทั้งนี้ก็เพราะโพธิรักดันโง่ไปคิดว่าเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือการบรรลุวิมุตินั่นเองนโง่ที่ไปคิดว่าเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือปฏิบัติให้บรรลุวิมุตนั่นเองอเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติให้บรรลุวิมุตติแต่คนนี้ก็จุดจุดจุไว้ว่าเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือการบรรลุวิมุตินั่นเองแต่แท้จริงแล้ว วิมุตต์นั้นมีไว้เพื่อให้ดูจริงๆคุณมีวิมุตต์ในกระเป๋าแล้วหรออัตมาเคยพูดว่าอ่า hearts. เรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเรานี่นะเป็นล้านคนบอกว่าเราไม่มีเราไม่มีหรอกแต่คุณมีจริงๆคุณมีเงินล้านอยู่ในกระเป๋าแล้วคุณก็ล้วงกระเป๋าเข้าไปก็ยังเจอเงินล้านอยู่ในกระเป๋านี่นะคนก็บอกว่าเราไม่มีไม่มีไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่เชื่อคนน้ำหนาอย่างนี้จะมีเงินล้าน เราจะเสียใจไหมเราจะโอ้โหวุมบอมใจอะไรไมแต่ทั้งที่ในกระเป๋าเรานี่เงินล้านอยู่ตรงเนี้ยนะแต่ที่นี่อาตมา ก, ก็ถามยอดไปคุณแปดเจ็สือนะจริงๆริงหรอคุณมีมิมุดในกระเป๋าแล้วเนี่ยคุณมีเงินล้านในกระเป๋าคุณแล้วเนยแล้วมีมุดของคุณเป็นยังไงควักไปมาดูหน่อยซิอาตมาควักไปมุดข้อนี่โรดควักอะไรออกมาจนกระทั่งโอ้โหแต่ข้างอาตมาควักไปแจกจ่ายไปให้ใครๆดูเนี่ย ไม่อยากให้คนเอาไปด้วยซ้ําไปแจกเท่าไร่ไม่หมดยิ่งแจกยิ่งอออืืยิ่งเยอะยิ่งแจกยิ่งมากขึ้นแต่คนก็ไม่ค่อยเอาไปเท่าเท่าไหรเลยได้ไปสักไม่เท่าไหรยอะนะมิมุตินั้นมีไว้เพื่อให้ดูหรือให้กําหนดรู้เท่านั้นนะนี่แหละคือตักกะที่น่าสงสารมากไม่ใช่ว่ามิมุตินี่ยไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องไปสร้างมิมุติขึ้นมาไม่ต้องทำมิมุติให้ได้ พราะมิมุตินั้นให้ใหดูให้กําหนดรู้เท่านั้นจึงไม่ใช่มีไว้เพื่อเอาเอาไม่ใช่มีไว้เพื่อให้เอาคือให้ <c oughs> อ่าจึงไม่ใช่มีไว้เพื่อให้เอาหรือให้ใครๆจะยึดถือเอาไว้เป็นของตนของตนได้นะมันซอนนะ่ะวิมุตินี่คือความไม่มีความล่วงพ้นผ่านไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีแล้ว เพราะฉันจึงมีวัยพศคํำวัยพศคําเรียกแทนก็ได้ว่ามันดับไปแล้วมันตายไปแล้วมันหมดไปแล้วมันไม่มีแล้วก็ได้เรียกว่านี้โรธก็ได้เรียกว่ามิมุติก็ได้ะเรี็ววันที่ผ่านก็ได้มันไม่มีแล้วมันศูนย์มันดับมันหมดมันสิ้นมันไม่หรือล่วงพ้นไปแล้วมิมุติคือมันล่วงพ้นมันผ่านไปแล้วมิมุติหรือสัมปติกมะมันล่วงจากอันนี้ชั้นนี้ขั้นนี้ยังไม่ถึงมิมุตินี่ ยังไม่ถึงขั้นศูนย์ท่านใช้คําว่าสมติกรรมะบทพลพลไปผ่านไปหรือออกจากอันนี้ไปเรียกว่าบุตติหรือวุตฐานบ้างหล่วงพ้นไปผ่านอันนี้ไปแล้วนะเป็นคําที่ใช้แทนได้เป็นวัยพ์เป็นคําชินนี<ม>ที่ใช้ใช้แทนอันนี้สภาวะแทนกันแต่มันมีนัยยะละเอียดอีกว่าจะผ่านอันนี้ก็ได้จริงๆแล้วไม่ได้ผ่านธรรมดาดับเหตุเลยเหตุมันหมดเลยศูนย์เลย แล้วมันก็จบกิจอันนี้มันก็พ้นภาวะที่ต้องปฏิบัติอันนี้เพราะมันกินเลสดับแล้วดับเสร็จแล้วด้วยดับจนกระทั่งถาวรแล้วด้วยก็ผ่านการปฏิบัติในทิึงเรียกว่าจบกิจผ่านแล้วไม่ต้องปฏิบัติอีกไม่ต้องออกต้องเข้าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราได้แล้วเราก็มีได้การที่ดีมุดแล้วนิโรธแล้วนะ่ะ แต่ใครยังจะไปอยากได้รถนี้ได้อารมณ์อย่างนี้ให้วิมุตต์เรื่องให้ความว่างๆางนี้อยู่จะเอาจิตไปเป็นอันอื่นอย่างอื่นคิดอย่างอื่นทำอย่างอื่นไม่ได้จะต้องอยู่นี้นี่แหละคือคุณลงติดอยู่ที่วิมุตจะเอาแต่วิมุตบอกว่าก็มันมีแล้วก็ให้ยึดที่มันลึกซึ้งกว่านั้นก็คือมันจะเป็นการยึดเป็นเราเป็นของเราเป็นมะมังยึดอันนี้เป็นมะมังขันยึดวิมุติเนี่ย ยึดว่าอันนี้เป็นเราเป็นของเราแล้วมันจะเกิดมานะมันจะถือดีหรือมันเป็นรายละเอียดเป็นอรูปขั้นอรูปจริงๆเลยอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายซึ่งพูดถึงวาระนั้นฐานนั้นผู้ปฏิบัติถึงจุดนั้นแล้วจะพูดกระรู้เรื่องไม่ยากส่วนผู้ที่ยังไม่ได้นี่แล้วหลงผิดนี่ถ้าเข้าใจก็ดีไปแล้วก็เก็บไว้ พอถึงวารานั้นคุณก็เอานี่มาใช้เป็นความรู้ปริยัติไปก่อนคุณปฏิบัติจะเร็วเพราะมันมีปริยัตินํำมีแผนที่เสร็จแล้วถึงวารานั้นเร็วแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณจะไปหลงติดยึดอยู่ถ้าไม่มีแผนที่แล้วมีปริยัตนําก่อนคุณจะหลงติดติดยึดเพราะฉะนั้นเรียนปริยัติแล้วปฏิบัติไปเมื่อคุณถึงจุดคุณก็ปฏิบัติได้ทันทีในสิ่งที่ละเอียดนะเมื่อที่อัตมาบอกว่าอธิบายว่าเอาช้างออกจากผู้ใหญ่ได้ก่อน ถ้าคุณทำได้แล้วโอ้โหตอนหลังเหลือหางช้างนะมันเล็กจกตัวช้างบเบลอคุณยังเอาออกจากพลอยกาได้หางช้างเล็กนิดเดียวคุณจะง่ายเลยคุณจะไม่ยากหรอกแต่คนที่แม้แต่ตัวช้างยังไม่ได้เอาออกเลยจากพลอยกาคุณมาดันเอาแต่หางช้างออกจากพลอยกาเนี่ยนะมันไม่รู้วิธีที่ถูกต้องหรอกพอมุมอยากไอที่ต้นกลางต้น ต้นตางคุณยังไม่ได้ทําหางช้างคือปลายคุณก็ได้แต่ตักกับเพราะฉะนัที่พูดบอกว่าอาตมาว่าว่าคนนี้ว่าคุณได้แล้วไอ้ขั้นหยาบกลางคุณก็ได้แล้วเหลือขั้นละเอียดคุณจะหลงให้หางช้างติดถวยการอยู่ไปทําอะไรอาตมา ก, ก็กระดักคอกว่าเท่านั้นเองก็เป็นหลงเสพหลงติดเพราะงั้นในระดับอนาคามีจะมีหางช้างติดถวยการ แต่ในระดับวิมุตต์อวิมุตตเนี่นะวิมุตต์มไม่ใช่อวิมุติยังไปยึดมั่นเป็นเราเป็นมัมังมัมัง ม, มัมมงการนี่แหละยึดเป็นเราเป็นของเราอยู่ตัวปลายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วแม่พูดนั้นจะยึดถ้าไม่เกิดมานะกิเลสเขาาา้าใจมานะกิเลสคุณยึดไปเถอะไม่มีปัญหาไดหรอกเพราะมันไม่ยึจะภัยอะไรของใครแต่คุณก็ไม่สมบูรณ์เท่านั้นเอง คือไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองไม่มีอะไรนะเอาทีนี้ของคุณนี่ว่าอะไรต่อนะมิจะมีไว้เพื่อให้เอาหรือให้ใคลายในย้อนหน่อยจะยึดเอาไว้เป็นของตนตนได้ฉะนั้นสําหรับอรหันต์หรือผู้ที่หมดความยึดถือว่าเป็นของตนได้แล้ววิมุติของอรหันต์จึงย่อมไม่กลับมาคาเริ่มได้อีกหรือคืออรหันต์นั้นย่อมอยู่ในวิมุตดตลอดเวลานั่นเอง และเห็นนี้พระเจ้าจึงถึงได้ตรัสว่าไม่ว่าจะเป็นที่รุ่งหรือที่ดอหรือป่าหรือเป็นที่แห่งแหล่งใดๆก็ตามหากเป็นที่อรหันอยู่แล้วที่นั่นบรรยากาศย่อมจะร่มรื่นเสมอน่าอยู่ยิ่งนักโมเลเปิดก็เพราะด้วยปาฏิหาริย์แห่งวิมุตินั้นนั่นเองโมเลปิดอาตมาขอภยไปอาตมาอ่านตรงนี้แล้วเข้าใจเข้าใจความรู้สึกของคุณเพราะคุณยังมีสภาวะของการสลับจาก ปรมาณ์เข้าไปหาสมมุติและคุณก็ไปเห็นสมมุติว่ามันเป็นอภินิหารมันเป็นปาฏิหาริย์อาตมาก็อธิบายไม่เก่งในขยายความนี้แบบแต่เข้าใจว่าคุณเป็นอย่างนั้นนะ่ะเพราะอาการอย่างนั้นอาตมาณนะผานมาก่อนอย่างที่คุณแปดเจ็ดศูนยาพูดแล้วเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นตกะเท่านั้นไงนะ่ะ ซึ่งสมมติว่าคนในสมัยปัจจุบันจะเอาวิทยาการสมัยใหม่ไปอธิบายสอนให้กับนายก้องซึ่งเป็นมนุษย์โลกล้านปีฟันเช่นไปสอนว่าเรือเหล็กลอยน้ำได้นายก้องก็ย่อมจะไม่เชื่ออยู่แล้วชั้นใดซึ่งการที่เราแค่เอาธรรมะเบื้องต้นนะคือสภาวะวิมุตติวิมุตติเบื้องต้นนะเนี่ยคุณปเจ็ศูนห้าได้บอก ธรรมะเบื้องต้นนะซึ่งการแค่เอาเบื้องต้นคือสภาวะมีมุตที่เห็นอนัตตามีมุติที่เห็นอนัตตานี่มันเห็นอนัตตานะเนี่ยเป็นเบื้องต้ น, น ron, เท่นานั้นนะใครเห็นอนัตตานี่เบื้องต้นนะซึ่งอันนี้อาตมากับคุณแปดเจ็ศูนห้าเข้าใจกับคนละจุดจริงๆเลยว่าคนที่ถึงอนัตตาบรรลุอนัตตาเห็นอนัตตานะั้นคือคนเบื้องปลายแต่คุณแปดเจ็ศูห้าบอกว่านี่มันมีมุติเบื้องต้นธรรมะเบื้องต้นนะเห็นหมีมุติเนี่ยเบื้องต้น แต่ของอาตมานาจะเห็นตัวตนเป็นเบื้องตน้นหมดตัวตนที่หมายความว่าอนัตตาหมดตัวตนเมื่อนัตตาจึงเป็นตัวปลายแต่ของคุณนี่บอกว่าเห็นอนัตตานี่หลยเป็นเบื้องตน้นถ้าใครไป น, นึกว่ามีตัวตนคนนั้นมิจฉาทิฏฐิคุณคนนี้ไม่มีอัตตาเลยมีแต่อนัตตาพอตัวอนัตตาแล้วปับ๊บได้เบื้องต้นเลย แต่เป็นเบื้องปลายยังไงวะคนนี้เดี๋ยวก็ค่อยต่อไปได้จะรู้ว่าเขาเบื้องปลายยังไงเขาเบื้องต้นนี่เพิ่งเบื้องต้นเท่านั้นโอ้โหเขาเบื้องต้นเอาสูงเลยนะเอาอนาตาเราเป็นเบื้องปลายนี่เขาเอาอานาตามาเป็นเบื้องต้นนะนะซึ่งการเอาธรรมะเบื้องต้นคือสภาว่าวิมุตติเห็นอานาตาเป็นเล่าให้โพธิลักษ์ฟังก็ฉะนั้นเหมือนกันนะเนะนะพราะเปรียบกันแล้วโพธิรักษ์ก็คือในก้องมนุษย์โลกล้านปีคนนั้นนั่นเอง แล้วจะมาให้เราสรุปว่าโพธิรักเป็นพวกที่ชอบอวดวัตถุตนหัววิทยาศาสตร์จ๋าแบบไอน์สไตน์นะนี่เขีย น, นว่าไอน์สไตน์ด้วยนะหรือไม่มีนอน ร, ร์นูกลันและสละไอต่อเต่านี่เลยซึ่งเป็นไตเป็นตับเนี่ยนะไอน์สไตน์แต่ดันโง่ทางธรรมเหมือนเด็กอนุบาลยังได้ยังไงจ๊ะเอ็นนะมีภาษาอังกฤษตามทายด้วยว่าเอ็นนะ อ่าอัตมาก็ฟังแล้วก็ขยายความอธิบายความเห็นของคุณแปดจศนห้ากับของอัตมาที่เห็นแยงพูดไปพลางแล้วเท่านั้นก็เห็นแย่งไปเท่านั้นแหละอัตมาก็ไม่ตั้งใจจะพูดเพื่อที่จะเอาชนะเอาแพอะไรหรอกแย้งไปเพื่อให้คนฟังผู้ได้ฟังด้วยดีฟังความเห็นของคุณแปดเจะดนห้าอะก็ฟังความเห็นของอัตมาใครเห็นอย่างไรว่าเออไหนเข้าทีดีก็เอา เห็นของคุณแปดเจ็ดศูนย์หน้าเข้าทีก็เอาของคุณแปดเจ็ดศนหน้าเห็นที่อาตมาอธิบายว่าเข้าทีก็ฟังเช่นว่าเออเห็นอนัตตานี่เป็นแค่เบื้องต้นนะเห็นพิมุติที่เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นแค่เบื้องต้นแต่ของอาตมาว่ามันเบื้องปลายนะเช่นคุณอพูดคุณคนนี้ย้อนไปที่บอกว่ า, อ, าอ่าอตมาเนี่ยโพธิลักษ์อ่านจิตตารุปัสนานี้แล้วไม่รู้เรื่องนะ จิตตานุปัสสนาที่บอกว่าวิปัสสนาในจิตเนี่ยจิตตานุปัสสนาวิปัสสนาเรื่องจิตเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างมาเต้ปฏิจจุบุบาทเนี่ยตั้งแต่วิญญานสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดบิญญนยามีานาเป็นนามูญญ well, ลละลายมาจน ก, กระทั่งถึงให้เกิดทุกข์ทุกเป็นปัจจัยให้เกิดศัทธาศรัทธาให้เกิดปัปจามโมปัจมโมให้เกิ ด, มมมมกดสุขอะไรพวกนี้ไล่มาเนี่ยนี่แหละให้พิจารณาจิตของเขาจิตตานุปัสสนาเนี่ยเขาก็พิจารณาจิตแบบเนี่ย จนกระทั่งเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างมันมีแต่เหตุปัจจัยนะมันไม่มีตัวตนอะไรจบของเขาจบเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอนัตตามันไม่ใช่ไม่มีตัวตนไม่มีอนัตตาอะไรทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยเท่านั้นทุกอย่างมีแต่รูปกับนามเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันเท่านั้นไม่มีตัวตนนี่เป็นความรู้เบื้องต้นด้วยนะเป็นอนัตตาเป็นวิมุตต์ด้วยเป็นสภาวะวิมุตต์ที่เห็นอนัตตาจะเป็นวิมุตต์ระดับต้นเลยนะเป็นวิมุตต์เลยนะ ตั้งแต่ที่อัตมาโอ้โหคนจะรู้จักวิมุตต์คนจะหลุดพ้นเนี่ยคนก็จะต้องรู้อัตตาคนก็จะต้องรู้อาการของหยาบกลางละเอียดไปจนกระทั่งเออมันไม่มีแล้วเรียกว่านิโรธเออนิโรธนั่นเหลยกว่ิมุตต์แต่นี่คนนี้พรวดพรวดเลยทุกอย่างไม่ใช่ตัวต้นอย่าไปยึดมัน่นถือมั่นอะไรเป็นต้นมีความมีตนไม่ใช่มันอนัตตาเลยอนัตตาเนี่ยวิมุตต์แล้วก็ไปเรียกอันนี้ว่าวิมุตต์ พยัญชนะของคุณนี่ใส่เข้าไปใหญ่เลยเอาวิมุติเป็นตร ก, กะได้แต่วิมุติวิมุตแบบเนี้ยวิมุติที่บอกว่าถ้าเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างไม่ใช่อัตตาเนี่ยวิมุตแล้วนะวิมุติแล้วนะนี่ของคุณนีิว่าเนี่ยสภา ว, าวิมุติที่เห็นอนนัตตาเป็นเบื้องตน้นเนี่ยมาเล่าให้อัตมาฟังอัตมาเหมือนในกล้องคนมนุษย์ล้านปีไปเข้าใจหรื อ, รอว่างั้นนะเ <laughs> อ่า ไอ้แค่ตกะ ว, ว่าทุกอย่างไม่ใช่อัตราเนี่ยโดยตักกะเนี่ยใครเอาที่ฟังอยู่นี่ใครโง่ที่สุดจะถามคนโง่ที่สุดให้ตอบอาตมาถ้าคุณโง่ที่สุดตอบได้แล้วคนอื่นฉลาดกว่าก็ต้องรู้ได้หมดดีเนาะอาตมาก็จะถามคุณโง่ที่สุดตอนนั้นเอาใครโง่ที่สุ ด, ดยกมือที่จะถามเข้าใจไหมรู้ไหมไอ้ความหมายนะตักกะเหตุผลของความหมายว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีตัวตนศาสนาพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนั้นจริงๆ เราก็เข้าใจพระเจ้าศัตรุตรงนั้นแต่ว่ากว่าจะไปถึงทุกอย่างมันไม่ได้ ย, ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนเนี่ยเราเองเนี่ยจะเข้าใจไหมอุปทานทุความ ย, ยึดมั่นถือมั่นของเราเนี่ยมัน ย, ยึดอยู่แล้วมันก็ยังมีตัวตนอยู่ที่จริงเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนหรอกเพราะว่าเราหมดแล้วแต่มันยังมีตัวตนที่เราต้องล้างก่อนจนกว่าจะล้างจบหมดแล้วเราก็เออทุกอย่างมไม่ใช่ตัวตนผู้ที่มี ความสุดท้ายไม่ได้มีอัตตาแล้วจริงๆเนี่ยพระอรหันต์เป็นต้นท่านเพถ้ามีแต่อนาตตาแล้วทุกอย่างไม่ใช่อัตตาหรอกของท่านทุกอย่างไม่ได้ทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปพระอรหันตุองท่านก็จะเห็นตรงเนี้ยแต่คุณตักกะคุณก็เข้าใจคุณศึกษาดีๆใช้ตักกะลงเหตุผลเออมีแต่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านนั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปพอเข้าใจได้ไหมเข้าใจโดยเหตุผลโดยตัรกะมันเข้าใจได้ทุกคนนั่นแหละ คุณแป0 5จน้าวันโพธิรักยังเข้าใจได้เลอทุกอย่างไม่ใช่อัตตาทุกอย่างอนัตตาแค่วิบูทแค่ต้นต้นแค่นี้ยังเข้าใจไม่ได้เลยโพธิรักทำไมถึงโ ง, ง่จริงๆเป็นมนุษย์เป็นในกองมนุษย์ลานปีจริงๆนะเออเอาเอาละเนี่ยนี่ของคุณ อาตมาขอขยายความตรงนี้นิดนึงในความเข้าใจของคุณแปดเจดูนย์ห้าที่บอกว่าว่าอาตมาว่าไปไปอธิบายอาตมาไปอธิบายเจโตปริยาณสิบหกโดยพยายามโมเมโมเมชันว่ า, างั้นนะให้หมายถึงวิปัสนาสิบวิปัสนาญาณสิบหกให้จงได้งั้นหาว่าอาตมาเป็นโมเมอันนี้อาตมาก็ขออธิบา ย, ยางี้มันโมเมหรือเปล่านะ คุณบอกว่านะคุณพูดเองนะว่าอาตมาเนี่ยจึงเปลี่ยนชื่ออาตมาไม่รู้เรื่องในเรื่องของเนี่ยเหตุปัจจัยต่างๆนานาพวกนี้จนกระทั่งมีวิมุตติเนี่ยจิตเป็นวิมุตติเนี่ยในการเข้าใจเหตุปัจจัยตั้งแต่สังขารวิญญาณนามรูปมาเนี่ยคุณ8ปดเจศนย์ก็ไล่ามาตามปฏิสุบุบาทเนี่ยแล้วก็เอามาไล่ตัวแม่กระทั่งในสายดับก็เอามาต่อกับสายเกิด ฉลุยไปเลยตั้งแต่พอเกิดแล้วก็ดับจบที่จริงไม่ต้องทวนกระแสทวนกระแสตั้งแต่ชาติพระบุญเจ้า จ, จะทวนตั้งแต่ชาติแล้วเหตุเกิดชาติเพราะฉะนั้นต้งแต่ปฏิบัติรรมจ้จะตั้งต้นตรงนี้มันมีชาติจึงมีชรามารณนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีชรามารณนะก็มาจับจิตชาติท่านถึงไล่จิตชาตินี่อัตมาพระเตพยโดดเดืสิบหกเนี่ยมาท่านแจกวิพังอธิบายมาแล้วนะเริ่มต้นตั้งแต่ ชาติมันมีห้าอย่างเสนาธมาก็อธิบายได้เหตุปัจจัยต่างๆมาหมดเลยนะหลับชาติไปเรื่อยๆตั้งแต่ชาติของอะไรที่เป็นตัวอย่างที่เรามีกิเลสติดยึดให้เกิดอยู่เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดวนเวียนเป็นโลจีอยู่เป็นอัตตาที่เป็นกิเลสนั้นจริงอัตตาตัวนั้นเรียกตัวแรกว่าสักกายะเรียกว่าองค์ประชุมของตนเอง สักกะนี่แปลว่าตนเองสักกายะคือองค์ประชุมของสภาวะสภาวะธรรมกายะนี่เป็นน้ำกายะนี่เป็นน้ำ ม, มาทำนะแต่ไทยนี่มันสวยตรงที่ว่ามาต่อ ก, กับคําว่าร่างเลยไปกลายเป็นรูปร่างรูปร่างเลยกลายว่ากายเนี่ยเล ย, ยกลายว่าไปเป็ น, ปนรูปไม่ใช่นามนี้เป็นต้น าอตาตมาก็าพูดมานานแล้วมากมายซ้ําแซ่ซ้ําแซ่มาหลายทีแล้วก็เลยยากแม้แต่ความเป็นส ก, กายนี่คนนั้นก็รู้ว่านี่เรามีอัตตาอยู่อส ก, กายนี่คืออัตตาตัวยาตัวต้นตัวที่เราเกิดยานเห็นเป็นวิปัสนาญาณตัวแรกนทีนี้คุณนี่บอกว่าเจอตอาตมาพยายามจะมาอธิบายธรรมะของพระเจ้าเพี้ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสภาวะอะไรก็แล้วแต่ของคุณแปดเจตสุหน้าหมาย ว่าให้อัตมาทาให้เปกทำเอาเจโตปริยานสิบหกโดยพยามงเมชันให้หมายถึงวิปัสนาญาณสิบหกให้จงได้อัตมาไม่ได้เห็นแปลกไปเลยไม่เห็นเพี้ยนไปอย่างที่คุณพูดเลยอัตมารู้ชัดว่าเจโตปริยานสิบหกเนี่ยคุณไปเรียกวิปัสนาญาณสิบหกอัตมาก็ จะพยายามเข้าใจกับคุณว่าคุณคงหมายถึงโสลรถยานโสลรถแปลว่าสิบหกซึ่งจริงๆแล้ววิปัสนานเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายไว้านเก้าแต่เก้านี่อยู่ในโซลรถอยู่ในยานสิบหกด้วยถึงอัตมาก้านำมาอธิบายนานแล้วโบราณอาจารย์ท่านนำมาต่อต้นสามมีนามาดูปรปริเจทยานะและก็มีปัจจยาปริกหายานะและก็ส ม, าามัสนญาน สามาต่อจากนั้นจึงอุทัพยายนุปนัสนานุปัสนาานจนกระทั่งไปลงท้ายด้วยสัจจานุลมิกรยานและจึงต่ออีกสี่ต่อโคตรุนภูยานมัคคายนผลยานและปัจจเวคณยานอีกสี่สรุปและต่อหัวอีกสามต่อท้ายอีกเจ็ดรวมกับวิปัสนาญาณอีกเก้าเป็นสิบหกนี่คือโสรถยาน โซลรถยานหรือที่คุณนี่บอกว่าวิปัสนาญาณสิบหกเนี่ยเอาอาตมาพยายามเข้าใจหรือคุณอาวิปัสเจ็ดศูนย์เกจะเข้าใจว่าอาตมาเข้าใจผิดก็แย่งมาอีกทีหนึ่งแต่ถ้าอาตมาเข้าใจว่าคุณคุณหมายวิปัสนาญาณสิบหกนี่คือโสลรถยานถูกแล้วก็ไม่ต้องแย่งมาเพรออาตมาเข้าใจว่าคุณคุณคุณเห็นว่าวิปัสนาญาณ16หรือโซรถยานสิเนี่ย ที่อาตมาพยายาม จ, จับให้มันเหมือนกันกับเจโตปริยานสิบหกเพราะเอาเลขสิบหกมามาซ้ํากันเจโตปริยาน ม, มันก็มีสิบหกโสรยาน ม, มันก็สิบหกแน่ๆ แ, แล้วคุณก็ว่าอาตมาในพยายามจะจับยัดเยียดให้สองอย่างนี้เป็นอย่างเดียวกันอาตมาไม่ได้เห็นอย่างเดียวกันวิปัสนาญาณสิบหกกับกับเจโตปริยานสิบหกนั้นอาตมาเห็นอย่างนี้ด้วย เจโตประยานสิบหกนั้นคือสภาวะเจโตคือจิตส่วนวิปัฒนาญาณสิบหกตามที่คุณว่าหรือโสรดญาณ น, นี่มันคือปัญญาอันหนึ่งเจโตอันหนึ่งจิตอันหนึ่งปัญญามันคนละอานกันนะคนละเรื่องคนละสภาวะถ้าจะแยกให้มันชัดเจน เจโตนัเป็นตัวที่จะถูกรู้ส่วนตัวยานสิบหกหรือวิปัสนาญาณสิบหกที่คุณเรียกเนี่ยมันคือตัวญาณปัญญาไปรู้เจโตปริญาสิบหกนั้นคือสภาวะที่จะเกิดให้รู้ตั้งแต่เริ่มต้น อ, อัตมาจะไล่ไปเลยแม้นี่ตัยเวลาไปแล้วนะเจโตปรญญาสิบหกในอัตมาเอาไปจะไปลองเรื่องกล่าวมาด้วยว่าจะอ่านไม่อ่านแล้ว มีคนท้วงว่าอาตมานี่เคุณแปดเจ็ดศูนห้าว่าอาตมาอธิบายจิตจิตตานุปัสสนาไปเป็นเจโตปริยานสิบหกก็ถูกแล้วไงเป็นเจตโตปริญานสิบหกแล้วเขาก็บอกว่าอาตมาในพยายามโมเมชั่นให้หมายถึงวิปัสสนาญาณสิบหกไงอาตมาก็อธิบายมาแล้วไงว่าจิตตานุปัสสนานี่คือ ไปพิจารณาถึงตั้งแต่สังขารไปเป็นปัจจัยจึงเกิดบญาัติญญัติาแล้วรูปไล่มานี่จกนกระทั่งย้อนมาหมดนี่แนะ่ให้พิจารณาสายทั้งหมดนี่แหละสาเหตุปัจจัยปัจจัยปัจัยมาทั้งหมดนี่แหละแล้วจึงจะเกิดเจโตปริยานสิบหกแล้วเขาก็าาสรุปอาตมาว่าไปบังคับไปเอาเจโตปริยานสิบหกเนี่ยไปจะหมายถึงวิปัชนาญานสิบหกเขาหมายอย่างงั้นไงอาตมาก็กํากลังจะอธิบายอยู่นี่ว่า อาตมาไม่ได้เข้าใจอย่างที่คุณพูดพูดยัดพูดเยี่ยท่านอาตมาเป็นอย่างคุณว่าเลยนะอาตมาเข้าใจชาติแม้แต่พิจารณาไอเห็นสิ่งเหล่าที่คุณว่ามาทั้งหมดนั้อาตมาเห็นสังขารอาตมาเห็นวิญญาณอาตมาเห็นนามรูปอาตมาเห็นสารยตนาอาตมาเห็นปัตส์อาตมาเห็นเวทนาไม่ใช่อาตมาพิจารณาความหมายของสิ่งเหล่านี้อย่างนั้นเท่านั้น อาตมามีญานเห็นสภาวะธรรมของความเป็นสังขารนั้นคืออย่างไรกายสังขารเป็นอย่างไรจิตสังขารเป็นอย่างไรวัจีสังขารเป็นอย่างไรอาตมาเห็นน่ะบิน ญ, ญาณหกที่ตัดล่ไว้ในปฏิสมุปปัตเนี่ยในพัตตบิโรเรนสิหกเนี่ยบิน ญ, ญาณหกคือเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีพัรษาสามน่ะมีพัรษาหกมี สิ่งที่เกิดให้เห็นนั้นเป็นนามมารูปอัตมามีหมดสรยัสหกก็มีผัสสะหกก็มีเวทนาหกก็มีอ่านออกนะตันหาหกอีกก็อ่านออกตันหาหกและในตันหาหกนั้นมันก็คือมีตันหาร้อยแปดอัตมาก็อธิบายไปหมดแล้วไม่ใช่อธิบายแต่ภาษาขยายสภาวะปฏิบัติอย่างไรให้มันหมดอย่างไร ไปหมดแล้วไม่ใช่ได้แต่พิจารณาจิตตานุปัสสนาก็พิจารณาให้มันเข้าใจมันเป็นเหตุปัจจัยเท่านั้นมันไม่มีตัวตนอัตมาเข้าใจคุณว่าคุณเอาแค่นั้นแต่อาตมาว่าเขาเอาไปอาตมาอาจจะหวังสูงไปมั่งมากมั่งหรือเปล่าหวังว่าคุณจะเข้าใจบ้าง จึงอธิบายอยู่แต่เอาเถอะอาตมาก็รู้อยู่ว่าอาตมาไม่ได้หวังสูงทีเดียวตกเพราะอาตมาเองไม่ค่อยหวังว่าคุณจะได้รู้บ้างหรอกแต่อาตมานั้นเคยพูดไปแล้วว่าอาตมากําลังตีงูให้กากินเพราะฉะนั้นกาตัวนั้นได้กินงูก็กินไปอาตมาก็ตีงูให้กากินไปเรื่อยๆมันจะเหนื่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะที่บอกว่าหวังจะให้คุณได้กินงูบ้าง ก็คิดว่าอัตมาไม่หวังเท่าไหร่หรอกนะเอาที่นี่ขออาภายัยเราเลยเวลาไปแล้วก็อัตมาจําเป็นจะอธิบายขออธิบายอีกนิดหนึ่งเลยว่าเจโตปริยา น, นั้นมันเป็นเรื่องมาตวัดเจโตปริยาณสิบหกนี่คือตั้งแต่อัตมาจำได้หมดแล้วพูดพยัญชนะเป็นภาษาบาลีแล้วกันมันจะสั้นนะถ้าไปพูดภาษาไทยมันจะยาวไปอีก เจปโตปริญญาสินั้นอัตมาขอไล่เด้๋ยหาว่าอวดเก่งอวดดีอวดโก้เลยไม่ได้โก้ได้เทอะไรหรอกมันจำได้เ้าพูดไปเท่านั้นแหละแต่อัตมาไม่ได้จำได้เท่านั้นอัตมามีสภาวะด้วยหนึ่งสาราคาสองสระโทสะสามสะโมหะ 4. ีวิตราคะาหวิตโทสะหวิตโมหะอาจจะสลักกันโทสะขึ้นก่อนหรือว่าราคะขึ้นก่อนเท่านั้นแหละนะแต่รา อาตมามองไม่เห็นข้างโนต้ตนะไอไ อ, ไ อ, ไอตัวนี้มันก็ไม่ทางานอะไรให้อาตมาอาตมาก็เลยไม่ได้ไอตัว i อแพดเนี่ยมันต้องไปดูที่โน่ น, นจอยาวใหญ่ น, นอนอาตมาอ่านไม่ ไ, ไกลราคาใช่ไหมตัวต้นใช่ไหมราคาด้วยโทสะสะราคาจิตใช่ไหมอ่าสะราคะแล้วก็อ่าโทสะนะ ว, วีตาราคะแล้วก็โทสะนะสะโทส ะ, แ ล, สะแล้วก็วีตโสสะแล้วก็สะโมหะแล้วก็วีตโมหะนี่เป็นหแล้วหมายความว่าสานนี่ก็มันคือมีราคะมันประกอบไปด้วยราคะไอ้วีตาหมายความว่ามันไม่มีมันไม่ประกอบไปด้วยไ อ, อ, อ้ราคะโทสะก็เหมือนกันไอ้ทิศาก็มีไอ้วีตาก็คือไม่มีนั่นแหละโมหะด้วยมันหแล้วเพราะฉะนั้นผู้ใดปฏิบัติแล้วรู้ว่าราคะ รู้ว่าโทรศท์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคืออัตตากิเลสตัวสมุทัยที่คุณจะต้องกําจัดให้หมดอัตตานี้และคุณก็ปฏิบัติปฏิบัติขั้นต้นคุณจะได้ขั้นต้นที่ได้ผลมันเป็นสังกิตตังจิตตังหรือวิกิตังจิตตังขออภัยในในอันนั้นท่านบอกเอาวิกิตังจิตตังขึ้นก่อนใช่ไหมวิกิตตังจิตตังและสังกิตังจิตตังวิกิตตังจิตตังท่านแปลว่าฟุ้งซ่าน สังกิตตังจิตตังท่านแปลว่าหอเหียวใช่ไหมมันไกลก็เด็ดอ่าแต่แต่อันนี้แปลประตามัตมาที่วงเล็บไว้นี่สุเดนตามเขาเอาคําแปลของอัตมาไปใส่แต่ในพระจิติญกรไม่ได้แปลอย่างนี้ท่านแปลว่าสังกิตตังกิตตังนี่คือจิตหดหูไม่ได้หอเหียวจิตหดหูจิตหดวิคิตตังจิตตังท่านแปลว่าจิตสู้นซา ท่านแปลอย่างนั้นแต่อาตมาเนี่เอาสภาวะมาแปลว่าสังกิตตังจิตตังคือจิตเกรงจิตมันจับตัวแน่นจิตมันหดจิตมันเคร็งเคร่งมันแข่งอยู่มันคุมแข่งอยู่มันเป็นภาวะฌานหนึ่งอ่ะนะฌ า, านหนึ่งมันเป็นภาวะฌานหนึ่งนะก็ได้ขั้นต้นสายจิตสายเจโตเนี่ยหรือว่าสายศรัทธานี่จะเป็นสังกิตตังจิตตังถ้าสายปัญญาจะเป็นวิกิตังจิตตังหรือสายยึดเนี่จะเป็นสภาพ ทีนมิตะหรือสังกิตตังกิตตังนี่แหละมันเป็นก้อนเป็นหดส่วนสายฟุ้งสายกระจายสายปัญญานี่มันจะวิกิตังกิตตังมันจะยังไม่แน่มันจะไม่ใหม่มันจะเกิดสภาวะที่ยังออืต้องระมัดระวังเคร่งคุมสิ่งเหนี้อยู่แต่ก็มีสองลักษณะนี่เป็นเบื้องต้นที่ทําได้ก็คือจิตเป็นฌานจิตเป็นฌานในฌานหนึ่งนี่แหละลักษณะสังกิตตังจิตตังวิกิตังจิตตังนีนฌานหนึ่งคนทําให้วิจต วิจารมิตรองวิจารนี่แหละมันเป็นตัวที่ยังเคร่งคุมยังเกรงหรือยังจับไม่ติดในลักษณะวิกิตตังจิตตังอยู่นะเนื่อากมาอธิบายสภาวะนะัอาตมาไม่ได้ติดที่พยัญชนะแต่พยัญชนะกรมาอ้างอิงยืนยันถ้าคุณเข้าใจได้ตามมีสภาวะรองรับนะคุณก็โหฉลุยเลยแต่ถ้าคุณจิตแต่พยัญชนะแล้วก็ฟังอาตมาอธิบายไม่รู้เรื่องแสดงว่าคุณไม่มีสภาวะอันนี้ชาตนหนึ่งที่ว่านี่คุณก็ไม่เข้าใจ เพราะฉะนถ้าวิจาวิจารหรือเคร่งคุมนี่ลดลงหรือจับเนื้อจับตัวได้มากขึ้นวิกิจตังจิตตังลดลงนคุณก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นมหคตจิตเป็นข้อที่เก้าที่สิบอมคตะหรือมหาคตะเป็นข้อที่เก้าที่สิบเป็นไปคู่คู่สังกิตตังจิตตังหรือวิกิตตังจิตตังคู่หนึ่งมหาคตะอมหาคตะอีกคู่หนึ่งคือจิต จเจริญขึ้นสูงขึ้นพระอคคตะอมัคตะนี่คุณก็จะทําได้เจริญขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นมหคตะถ้ามันไม่เจริญคุณทําได้แค่นั้นคุณก็จะได้ภูมิแค่สังกิตตังหรือวิกิตตังอยู่แค่นั้นแหละแต่ถ้าคุณสามารถทําสําเร็จมันก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆมหาคตะทําไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆื่อยๆก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นสัอุตรจิตอ่าสัอุตรจิตเป็นตัวที่สิบตัวที่สิบ แล้วคุณก็จะต้องปฏิบัติสะอุตรจิตเนี่ยจิตท่านแปลไว้ดีอัตมาชมมามากชมบ่อยในพระเจ้าพิโดจำแปลว่าจิตที่ดีกว่านี้ยังมีอีกท่านแปลสะอุตรังจิตตังนี่ไว้จิตมีดีแต่ดีกว่า น, นี้ยังมีอีกแย่มากเลยคือปฏิบัติจิตจเจริญดีขึ้นไปเรื่อยเป็นอธิจฉริจการว่าจิตตานุปัฏฐานเนี่คือปฏิบัติให้เกิดอธิจิตสิก ข, ขานั่นเอง เมื่อที่จิตสคขามีอย่างใดคุณก็จะต้องอ่านความมีผลเจโตปริญานเนี่เป็นผลเป็นผลของเจโตเป็นผลของจิตส่วนวิปัสสนาญาณสิบหกหรือโสระญาณอตมาวันนี้คงไม่มีเวลาจะได้อธิบายแล้วมันเป็นตัวของตัวปัญญาเองมันเกิดการเจริญของปัญญาเลยซึ่งลึกซึ้งยากกว่าเจโตปริญาสิบหกอีก วัยวันหลังก็อธิบายอาตมาเคย อ, อธิบายมาบ่อยไปสเส้นโลโซเรยาก็เคยอธิบายพอได้สัอุตรจิตแล้วนี่จิตดีแล ะ, จะเจริญขึ้นเรื่อยๆแต่มันยังไม่จบต้องอนุตรจิตถึงจะจบเพราะฉะนั้นคุณจะต้องภาคเพียรปฏิบัติจนกระทั่งให้หมดให้เกลี้ยงให้สมบูรณ์เป็นอนุตรจิตจึงจะได้จุดจบของวัฏฏรจิจเป็นยังไงจุดจบมันก็คือสมาหิตังและบิมุต ถ้าตราบใดคุณยังทําสมาหิตังเป็นอสมาหิตังอยู่คือจิตยังไม่เป็นสมาธิสมบูรณ์คุณก็ยังไม่ใช่อันอนุสรจิตและคุณยังไม่มีเป็นวิมุติสมบูรณ์เรียกว่าอวิมุติอยู่มันมีคู่อยู่อสมาหิตังกับสมาหิตังวิมุติกับอวิมุตอีกสองคู่เพราะงั้นถ้าจิตทังคุณชัดเจรวิมุติเป็นเช่นนี้สมาธิตั้งมั่นเป็นอย่างนี้ตั้งมั่นแล้วสมาหิตังนี่แปลว่าตั้งมั่นแล้วมันเป็น p าร์สเพอร์เฟคเทน มันเป็นจิตที่สมบูรณ์และจบแล้วตั้งมั่นแล้วดีมุตดแล้วดีมุตดนี่ก็เป็นตัวพารสเหมือนกันพาสเพอร์เฟกเหมือนกันอ่าเป็นตัวที่สมบูรณ์แล้วจบแล้วเมื่อมีคุณสมบัติตั้งมั่นแล้วและหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์แล้วคุณก็เป็นอนุตรจิตบริบูรณ์นี่เป็นมาตรวัดเจโตัปรยิยานี่เป็นมาตรวัดของผู้ปฏิบัติธรรม ต้องเข้าใจพยัญชนะพวกนี้และมีสภาวะวัดได้คุณจะเป็นอรหันต์อย่างที่ไม่งมงายมีสูตรพระพุทธเจ้า ม, มีทิศทันติของพุทธเจ้ามีมาสวัดของพุทธเจ้านะส่วนวิปัสสนาญาณสิหรือโสรถญาณ น, นั้นตั้งแต่นา ม, มารุปป ร, ปริเฉติญาณไปจกนกระทั่งถึงจบปัจจเวคขณญาณอาตมาวันนี้มันเลยเวลาไปมากแล้วก็ขอ เอาหน้าไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อนาไว้พรุ่งนี้ไว้ค่อยต่อหน้าโปรดติดตามฉบับหน้าหน้านี่ผู้ที่อ่านหนังสือรายสัปดาห์แล้วนี่อา่านนวดียายนี่โปรดติดตามฉบับหน้าอนาอ่านต่อมันเลยเวลาก็าไปเยอะแล้ววันนี้นะอ่าอาตมาว่าก็วันนี้ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าอาตมาได้ชี้แจงสิ่งที่คิดว่าประเด็นที่มันไม่ค่อยจะ รู้กันแจ้งอย่างที่คุณ8705เนี่ยส่งประเด็นของเขามาและอาตมาก็เห็นว่าเนี่ยคนเข้าใจอย่างคุณ8705เนี่ยโดยเฉพาะสายปัญญาสายตักกะสายขบคิดคุณี8705เนี่ยสายตักกะสายคิดแต่ก็มีจิตนะมีจิตอีกส่วนหนึ่งไปเข้าใจแบบ เจโตเลยมีทั้งลักษณะอุดเฉทิฏฐิและสัจสตะทิฏฐิอยู่ด้วยกันทั้องอย่างเลยคุณแปดเจ็ดศนห้านี่นะอ่ะเอาไว้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งวันนี้มันเลยเวลาเป็นมากแล้วก็วักไว้ก่อนผ่าแไปก่อนอะอ่ะทีนี้ก็มาตอบประเด็นขออภัยผู้ตอบประเด็นจะต้องสั้นลงหน่อยต้องดีบร้อนนิดหน่อยอะ อ่าบอกเบอร์โทรศัพท์ผู้จะส่งมาอีกเป็นธรรมเนียมอีกบ้างแต่บอกเที่ยวเดียวนะเพราะเวลามนหมดแล้วผู้ส่งประเด็นมาก็มีพอสมควรแล้วนะอ่าเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นเข้ามาคือ0885859115กับ0885859116นาะ อ้าวทีนี้มาตอบประเด็นเลยเจ้าแรกนี่มาจากกรทมนยบอกว่าการปฏิบัติธรรมต้องแก้ทิ่ใจต้องรู้ว่าใจคิดอะไรถูกหรือผิดอประเด็นแรกเอาตอบตรงนี้ก่อนการปฏิบัติธรรมต้องแก้ทิ่ใจต้องรู้ว่าใจคิดอะไรถูกหรือผิดถูกต้อง เพราะที่จิตและเป็นตัวสำคัญแต่แก้กายด้วยแก้วจจีด้วยแก้อาชีพด้วยมรรคองคแปดีนมีทั้งอาชีวะกรมมันตะวาจาและสังกปะสังกปะนี่คือใจแก้ต้นรากคือแก้ที่ใจแต่แก้อยาบก่อนคืออาชีพการกระทํารึองานต่างๆกรมมันตะและวาจามันเป็นมิจฉาอะไรหรือมันเป็นผิด มันเป็นอคติสนอะไรที่คุณตั้งจิตแล้วว่าคุณจะต้องนี่แหละมีหลักเกณฑ์คุณจะต้องเว้นต้องขาดต้องหยุดอันนี้ก่อนคุณก็หยุดไปก่อ น, นต้องตั้งแล้วตั้งใจแล้วต้องหยุดนะมันมีกรรมกริยา เ, เช่นไม่ฆ่าสัตว์อยากฆ่าใจมันอยากฆ่าอยู่ก็ต้องมาแก้ไขที่จิตนี่แหละถึงมาแก้ไขที่จิตแต่คุณต้องไม่ฆ่านอกจากไม่ฆ่าทางกายแล้วคุณก็ต้องไม่พูดฆ่าอาชีพจะฆ่าสัตว์เกี่ยวกับฆ่าสัตว์คุณก็อย่าไปทํา ซื้อจินห้าไม่ฆ่าสัตว์อาชีพเกี่ยวกับฆ่าสัตว์ก็อย่ายไปทำามากอกงแปรเนี่ยถึงอ า, อาชีพด้วยอาชีพข้อสิบสองไปเอาของที่มันเป็นการไปเอาของคนอื่นในฐานะอันเป็นขโมยไม่ใช่ของของเราไม่มีสุจริตก็หยุดอาชีพอย่างนี้ก็หยุดอาชีพยังไ่โกงเข้ายังไปสุจริตยังไปไม่เขาท่าอยู่เนี่ย หรือการกระทําที่มันไม่ดีมันทุตจิตมันไม่สุดจิตอคุณก็เลิกตัณฑ์ยาบวาจาวาจาจะไปส่อไปเกี่ยวไปคล้องกับชัตจิตคุณก็อย่าพูดอหรือวาจาที่จึงยาวอบายวาจาก็ตามกระตามที่เป็นอบายมุกึันมันเกี่ยวว่าจากข้อห้าคุณก็อย่าพูดยาวกระทำะกรรมบรรดาคือการกระทําทุกอย่างแล้วก็มา เรียนรู้ที่สังกัปปะจะต้องเรียนไปถึงสังกัปปะเจตถ้าคุณเรียนไม่รู้สังกัปปะเจตคุณก็ปฏิบัติมระองค์แปดไม่ถ่องแท้ไม่ละเอียดไม่แยบขายไม่ครบไม่บริบูรณ์ไม่รู้จักตา ก, กาวิตัด ก, กาสังกัปปะอัปนาปยาปนาเจตโสภณิโรปนาวัจจีสังขาร น, นี่คือสังกัปปะเจตคุณก็ไม่สามารถที่จะสร้างฌานหรสร้างสมาธิที่จะมีอั ป, ปนาสมาธิที่จะสามารถ พลตักกะวิต ก, กะอะไรได้หรือสังกปะเป็นสมาสมบูรณ์คุณก็ทําไม่ได้นะทีนี้ถามว่าคิดรู้ว่าใจคิดอะไรไอ้แก่คิดน่ยมันใบเถานั้นก็ต้องรู้ว่าจิตอาการของจิตของเรามันคิดน่ะนี่มันยึดหรือมันอยากมันอะไรต่ออะไรต้องอ่านอาการพวกนี้ให้ชัดเลยอ่ามารยาการที่เราจะต้องฆ่าต้องกําจัดต้องอะไรคุณก็จะต้องชัดแล้วก็กทําให้มันหายให้มันระงับให้มันจางคลายนะ่ อันนี้ต้องอ่านอย่างนี้คุณถามมาสั้นๆแต่ว่าต้องรู้ว่าใจคิดอะไรถูกหรือผิดถูกนะต้องคิดอาดูที่ใจนี่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สรุปมาว่าเพราะฉะนั้นทางวัดป่าสอนให้ดูใจก็ถูกแล้วสิคะก็ต้องดูใจแล้วทำใจให้เป็นบุญถูกต้องไหมคะมันต้องอธิบายกันเนาะทางวัดป่าสอนให้ดูใจใน วัดป่าสอนให้ดูยังไงล่ะวัดป่าสอนให้ดูใจวัดป่าสอนเป็นนั่งสมาธิโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนั่งสมาธิก็คือนั่งหลับตาแล้วก็ดูใจอยาให้ใจสอนถึงขนาดว่าอยากให้คิดออกนอกใจให้อา่านแต่ใจให้ใจอยู่ในใจอย่าให้ฟงงุ้งออกนอกตัวอย่าออกนอกตัวไม่ใช่อย่าออกนอกออกนอกใจนั่นแหละให้อยู่ในใจใจเท่านั้นถึงขนาดนั้น มันไม่ได้ปฏิบัติอาชีวะกรมมันตะวาจาเลยไม่ได้ปฏิบัติหรอกไม่ได้ไปทั้งวรทั้งหมดหรอกฌานไม่ได้เกิดอยากมีทั้งสังกปะมีทั้งวาจากรรมมันตะอาชีวะอย่างที่พระอเจ้ารย์สอนไม่ได้มหาจตารีสกสูตรมีปัจจัยเป็นปัจจัยรูปสูตรอื่นๆแม้แต่อิทธิปญญายตานี่ก็มีสูตรทั้งนั้นตากระทบรูปหูกระทบเสียงมีหกหกหกหกมีวิญญาณหกอายตนาหกมีผัจจัยหกมีเวทนาหกตันหาหกอะไรนี่มันไม่ใช่ นก็สอนให้ดูใจแล้วดูอย่างสร้างสมถะจากพะวัป่าเนี่ยมันเลยเถิดไปทําที่ใจจริงดูที่ใจจริงใจคิดอะไรก็ให้รู้ตามเลยกํากลังสัมผัสนี้กําลังคิดอะไรกําลังฟุ้งสร้างอะไรแล้วมีตักกะวิตักกะสังกปะมีกามสัญต้องอ่านกามสัญญาพยาบาทสัญญาพยาบาตสัญญา อ า, อาการตรงนี้ออกโดยเฉพาะคำวากามนี่ก่อนอาการอย่างนี้เรียกว่าไปกําหนดหมาในกามไปปรุงแต่งร่วมกับจิตเมื่อมันไปปรุงแต่งเรียกว่าสังขารก็ดับตัวที่มันไปปรุงแต่งมันเป็นกามจับตัวกามได้กําจัดตัวกามพอไม่มีอาการกามกําหนดรู้กามเรียกว่ากามาสัญญากําหนดรู้ตัวมันจริงๆอ่านชัดเจนเลยว่ามันกําลังเกิดเป็นของจริงนะไม่ใช่นึกเอานะ โอ้นี่อาการการของเราเกิดในใจเราก็กําหนดรู้ได้สําคัญมั่นหมายของมันได้อ่านมันกําลังเกิดสัมผัสแล้วนี่มีตาหูจมูกลิ้นกายเขาสัมผัสอยู่แล้วมันก็เกิดระดับตอนเด็งนี้มีญาณนามารูปอริเชษทิยานา ม, ยยานะมีปริยกรณิปริายภรนะิขญาณเห็นมันเกิดอยู่ใหระดับเป็นกำหนดหมายรู้เลยนปรจยภริขญาณนะรู้เหตุรู้ปัจจัยของมันอยู่เลยนี่การมันเป็นปัจจัยในการตรุงแต่ง เมื่อรู alley, well, ้ตัวการมก็ก <con Chill zeit> ําจัดต exactly ัวกรรมสมมุติว่าก <mon draft> ําจัดได้หมดมันก็ไม่ไปปรุงแต่งสังขารนั้นเป็นวัจจีสังขารก็ไม่มีการปรุงไม่ีการปรุงร่วมนี่คือดับสังขารดับสังขารพูดอย่างหวั่นวั่นะพูดอย่างรวมรวมว่าดับสังขารไม่ใช่เป็นดับสังขารคือสังขารคือทั้งหมดกายสังขารจิตสังขารไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเลยหนักเก้าไม่ให้ปรุงแต่งไม่คิดไม่เนึกอะไรเลย กลายเป็นนิโรธดับไม่ทํางานเลยไม่ให้จิตทําหน้าที่อะไรสักอย่างเวทนาก็ไม่ทําสัญญาก็ไม่ทําสังขารก็ไม่ทําวิญญาณก็เลยกลายเป็นสัพพสัญญีสัตว์นะเพราะงั้นดูใจแล้วว่าเรียนรู้ฌานก็ดีสมาธิก็ดีนิโรธที่อสัญญีแบบที่อธิบายนี้วัดทาง้ายป่าวัดป่าซ้ายป่าส า, า, า, ายทุ ด, ดงสายที่ไม่ ขอพภัยต้องอธรต้องพูดชัดว่าสาธิยังไม่สมาธิในธรรมะอนุสาสนีพระพุทธเจ้าฌานก็ไม่ใช่ของพระเจ้าสัมมาทิ่ของเจ้าเนรโรจึงไม่ใช่ของพระเจ้ารู้ใจอย่างนั้นทําใจอย่างนั้นจึงไม่ค่อยตรงมณสิ ก, การไม่ตรงนทีนี้บอกว่ารู้ใจแล้วทําใจให้เป็นบุญทําใจให้เป็นบุญบุญอธรรมก็แจกให้ฟังชัดอหะบุญคือการชําระกิเลส เพราะฉะนั้นคุณรู้เมื่อกี้นี่บอกแล้วว่าตัวกามาสัญญาคุณก็ทำลายตัวเนี้ยทําให้มันสํารอกให้ไม่เหลือคุณอาจารย์ท่านศึกษามาแปลเป็นไทยกันว่าสํารอกโดยไม่เหลือก็ถูกแล้ววิราคะนี่ท่านใช้คําวิราคะสําลอกโดยไม่เหลือเนี่ยพญานาบาลีท่านใช้ตัวนี้ทําให้จางคายจนสํารอกโดยไม่เหลือ จ, จ, าาลจาง ค, า ย, ย า, งคายลงไปจนไม่เหลือเมื่อไม่เหลือมันก็เป็นนิโรธมันก็หมดนั่นแหละคือหมดหมดอะไร หมดบาปบาปคือกิเลสและบุญละ่ะหมดบุญด้วยบุญคือการชําระชําระอะไรชําระกิเลสํารอกกิเลสไงเมื่อมันหมดแล้วก็ไม่ไมต้องชำระมไม่ต้องชําระมมไ่สํารอกเมื่อไม่ชําระเป็นไงมันก็ไม่ท้องมันก็เป็นจงบุญไม่ต้องมีบุญเพราะทําใจให้ได้บุญบุญไปเป็นตัวตนบุญไปเป็นโลกียะบุญไปเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นวิมานบ้างเป็นคุณ ง, งามความดีบ้าง ไอ้เป็นลาบยศสันเซิญบ้างอ่าบุญนี่คือจะรวยลาบรวยยอรวยสันเซิญคนมีบุญจะยิ่งจะใหญ่อะไรอันนี้เป็นตนซึ่งมันเทียนจากคำว่าบุญที่เป็นปรมัตารย์เอาละเวลาเราน้อยไปทุกทีแล้วนี่เพิ่งจะอันแรกนั้นเนี่ยฉบับแรกต่อมาบอกว่าจะละกามสัสญยาได้อย่างไรอ้อเมื่อกี้อาตมาพูดผ่านไปหยกหยกจะละกามสัญญยาได้อย่างไร สิ่งที่เราเคยพบเคยเจอแล้วมันถูกใจมันติดใจนั่นแหละกามมันจะเป็นภาพตามมาหลอกห้อนใจเราและบางทีเราก็ปรุงแต่งเองเออเอ อ, เ อ, อพอดีนะั่นเองปฏิบัติดีเข้าใจดียินดีเองในความคิดจะแก้อย่างไรยินดีเองปรุงแต่งเองยินดีเอนอกจากให้ปรองอสุภะคําว่าปรองอสุภะนี่ก็อีก อสุภะไว้ว่ามันไม่ยินดีมันไม่ชื่นใจมันไม่ชอบมันเห็นเป็นของไม่ดีมันเป็นภาวะที่สร้างความโกงเงินข้ามกันกละป๋ายินดีสุภะไปเห็นว่าดีน่าได้น่ามีหน้าเป็นอสุภะก็ไม่น่ายินดีไม่น่าได้ไม่น่าเป็นสร้างความคิดความเข้าใจหรือความอารมณ์ชอบอารมณ์ไม่ไม่อารมณ์มันมันมันมันยึดมันติดมันจะเอามันจะเป็นเนี่ย เป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองการเข้าใจว่าทําให้เป็นอสุภะเนี่ยเพราะฉะนั้นจะไปมองในภาพไปพิจารณาว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปไม่น่าอะไรล็อกรูปร่างร่างกายในเดียวมันก็จะเหี่ยวจะาย่นเดียวมันก็จะแก่จะเท่าเดียวมันตายแล้วมันก็จะเน่าจะเหม็นมันจะแตกสลายให้พิจรารณา ให้พิจารณาให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นอันนี้จังแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเที่ยงของอยู่อากล่าวไงนเนี่ยนันทหุ่นสิณี่ปพาณนัยอยากให้กลา่าวแล้วมาแต่งตัวอยู่ตรงนี้เลยกล่าวก่อนกลาวก่อนแล้วก็กลา้า ค, ค่อยไปแ erm ต่งตัวตรงนู้นไปแต่งก็แม่ครับไปเพราะงั้นถ้าเผืว่าเราเองเรา ปฏิบัติแล้วสัญญานีเป็นตัวที่จะปฏิบัติใช้งานเยอะนะจะกําหนดว่ามันไม่น่าจะยินดีก็เลยอุปัสุภสัญญามันไม่น่าชื่นใจมันไม่น่าชอบอะไรก็แล้วแต่ให้พิจารณาอย่างนั้นมันก็เป็นเบื้องต้นที่จะรู้สึกว่าเออมันไม่น่าเลยนะก็ทําไปแต่จริงๆแล้วเราจะต้องพิจารณาเห็นจิตของเราว่าแล้วมันคลายจริงไหม มันไปเป็นการดึงดูดอยากใคร่อยู่อย่างนั้นหรือว่ามันจางคลายไปไหมถ้าจางคลายนั่นแหละมันอสุภะมันไม่หลงไหลว่าดีว่างามสุภะนี่มันดีมันงามมันน่าดายน่ามีอยู่นะสุภะแปลว่าน่าพึงใจมันก็ลดความน่าพึงใจลงมาเรียกว่าอสุภะก็คือมันย้อนคนละฝั่งอสุภะก็คือไม่สุภะก็คือต้องมีนะเพราะเราก็ต้อง ทำทั้งหยาบและสภาวะก็รู้ว่าเราละเอียดลงไปลงไปลงไปซึ่งมันจะมีทั้งปัญญามีทั้งความที่จริงก็ปัญญานเนี่ยตัวสําคัญปัญญาจะเห็นความจริงว่ามันจางคลายมันเกิดความสูงของยานที่เลวะโสรดยานนิววิปัสสนาญาณอุทภยานุพพานปัสสนาญาณดีแล้วอธิบายแทรกลงไปตรงนี้ไม่ได้อธิบายจนนั้น คือมันจะเห็นว่าตั้งแต่สมัสนญ า, านยานที่เกิดเทนไตรลักษ์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผ่านไปมันเกิดมันตั้งอยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีแล้วมันเกิดใหม่วนเวียนอยู่เนี่ยเรียกว่าเห็นความวนวัฏฐสมัสณีานเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยอุทัพยานุปัสนียานนี่ยานที่เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละ ยานที่เป็นปัญญาเป็นความเห็นแจ้งเป็นความลึกลึกของปัญญาเนี่ยเป็นพลังประสิทธิภาพของปัญญามันจะมั่นใจเชื่อสูงนีสภาวะคุณสมบัติในคุณภาพของปัญญาเนี่มันมันสูงขึ้นอ่ะมันจะเห็้โอ้ไอที่เป็นอุทธพยานุปสนญาเนี่คือมันเห็นว่ามันมันดับไปนะเป็นเรื่องมากกว่ามันเกิดขึ้นหรือตั้งอยู่ไอนี้เกิด ปะดี๋ยอ้หนเกิดกิอ้นี้เกิดแต่แท้จริงไอ้เกิดเไปนั้นก็ไปหาดับไปไอ้ที่ดับไปนั่นเป็นล้านเลยเนี่ยเดี๋ยวไอ้นี่เกิดใหม่ละไอ้นี่เกิดแล้วในดวงวิญญาณมันเกิดนี้อีกเกิดนี้ถ้าคุณติดอะไรบ่อยคุณก็จะเอาอันนี้เกิดบ่อยแต่สุดท้ายมันก็ดับอันนี้มันก็ดับไปหมดละไอ้คุณสมบัติของจิตที่เป็นปัญญาสูงมันจะเห็นว่าทุกอย่างมันมีความดับไปต่างหากมากกว่าความเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ทุกอย่างมันมีแต่ศูนย์ทุกอย่างไม่มีอะไรจะ มีอยู่ทุกอย่างสูงหดุดนี่เป็นความสูงสุดของสิ่งที่เป็นจริงปัญญาญาณมันจะค่อยๆลึกซึ้งขึ้นแโอ้โหตอนนี้มาคว้าสิ่งนี้มันไม่มีอะไรเลยจริงๆในโลกนี้มัน ม, มีอะไรหรอกแต่เราไปหลงยึดว่ามันต้องมีต้องได้ต้องมีต้องเป็นแล้วก็ชื่นใจกับมันแล้วก็อยู่กับมันเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยถ้าไม่ชื่นใจกับอะไรหรอกสักแต่ ว, ว่ามีแล้วก็ทําึงประโยชน์ ฟังแล้วก็เหมือนว่าจืดชืดเพราะว่าคนเราอยู่ด้วยความไม่จืดชืดจะต้องปรุงแต่งมีรสมีชาติแต่พระราห์แล้วท่านไม่ต้องมีรสมีชาติด้วยปัญญาที่มันสูงสุดแล้วท่านก็ไม่ต้องเหนืยหนายด้วยท่านก็ไม่จืดไม่ชื้นอะไรด้วยท่านก็รู้ว่ามันก็หลงแต่ก่อนนี่ก็เคยบ้ามีรสมีชาติเดี๋ยวนี้ไม่มีรสมีชาติก็สบายอาะไรจะอาศัยก็อาศั ย, ศยไปเท่านั้นเอง ทังคนเดาว่าเพราะมันติดอยู่กับรถโลกโลกโล ก, โล ก, กีพออธิบายบอกว่ามันไม่มีหลอกรถโล ก, กีมันหมดแล้วเฮ้ยไม่เอาวะพูดถึงตรงนี้แล้วนึกถึงหัวหน้าอาตมาคนคุณจำนงรังสิกุลสมัยทำงานอยู่ยทรทัตเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าฝ่ายเลยเป็นหัวหน้า โดยตรงอาตมาก็อยู่ฝ่ายจัดรายการฝ่ายจัดรายการในหัวหน้าฝ่ายจัดรายการจัดราการโทรทัศน์ออกโทรทัศน์กันตอนโน้นก็เป็นคนทํางานโทรทัศน์คุณจำลองพออาตมาปฏิบัติธรรมคุณจำนองก็บอกว่าเอออาตมาปฏิบัติจริงไงก็เห็นว่าอาตมาไม่ได้ปฏิบัติเล่นปฏิบัติธรรมมันอาตมาปฏิบัติจริงจนกระทั่งมันเขารู้ว่าอาตมาจะต้องพยายาม ปฏิบัติอย่างอยากที่จะไปนิพพานเลยอะคุณยมนงก็บอกว่าอืมเอาละอนุโมทนาคุณรักจะไปนิพพานกไปผมยังไม่ละผมยังจะอยู่กับโลกเนี่ผมยังสนุกสนานอยู่กับโล ก, โลกอยู่ <c oughs> อผมรู้ว่าวันดีแต่ผมยังไม่เอาเราะเสียไปแล้ว ล, ะละ่ะคุณยมรงเสียไปแล้วอายุเจ็ดสิบกว่ายังไม่ถึงแปดสิบเสียเจ็ดสิบยอะเหมันเจ็ดสิบเจ็ดจ็ดสิบแปดหรืธรรมจำไม่แม่นเสียนะ ก็แกก็อาตมายเยอะเหมือนกันเพราะว่าอาตมายังหล่มเนี่ยคุณจำนงนั้นเป็นระดับภูมิในการมันระดับสูงแล้วอาตมาไปทํางานด้วยเนี่ยมันตั้งแต่ยังเงรียนหนังสืออยู่ไปทำนั่นก็เป็นหัวหน้าทรงนั้นแลละ <S <S ในนี้ก็เล่าสู่ฟังนึกถึงว่าเออคนเราเป็นแบบโลกโลกอย่างนั้นนะมันไม่อยากทิ้งหรอกมันรู้สึกว่าเป็นรสเป็นชาติมันอร่อยมันทั้งสุกอะมันไม่สุกยังไงละคนไม่สุกไม่ทุกข์อทุกข์ก็มาสุกอุเบกขา ตายตายตายตา ย, ตายแล้วมันก็จืดมันดุดดุด น, น่เอาคุณนะเอารูปคุณจำนงมาออกอิเสิร์ตให้ดูด้วยนี่คือคุณจำนงลังสิกุลนะเป็นต้นรากของโทรทัศน์เมืองไทยเลยนะเป็นผู้บุกเบิกโทรทัศน์เมืองไทยมีอนยะูนะนะ่หลายผู้หลายคนคุณจำนงนี่เป็นคนหนึ่งนะเปนผู้บุกเบิกโทรทัศน์เมืองไทยนะหล่อไหม รูปอนะรูอนะแต่เป็นคนดีเป็นคนโอ้โหเรียบร้อยคนสุภาพเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนดีนะอา้าวต่อเพนะราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคุณสามารถรู้อาการลีลาของกามกำหนดรู้แล้วคุณก็รู้ว่านี่แหละตัวการใหญ่เลยตัวตัวการใหญ่เลยกาลเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่นคำเป็นคำรวมใครอยากทุกอย่าง ใครอยากในการที่จะทำร้ายก็ใคร่ยากนะที่จริงกามเพราะฉะนั้นจะมีอยู่สองฝั่งกามมศคัขขลกาิโยกกับอตตกิลมัทานโยกสองฝั่งนี่แหละคือสิ่งใหญ่ของโลกเพราะยังผู้ที่เรียนรู้จนกระทั่งหมดกามแล้วก็หมดอัตตาก็เหลือกลางกลางอยู่มัชชิ ม, มานี่คือผู้ที่ถึงฝั่งสูงสุด ไม่มีทั้งการไม่มีทั้งอัตต า, าการจะหมดก่อนและอัตตาในที่หลังอนาคามีขึ้นไปก็เหลืออัตตาหรือจะเหลือเศตราคารูปราคารูปราคะมันก็เป็นเรื่องของตนจึงเรียกว่าอัตตามันไม่ไปเป็นพิษ เ, เป็นภัยกับคนอื่นแล้วอนาคามีแม้จะเหลือเรือ่องวราคะหรือการส่วนเรื่องวรูปราคารูปราฆะข้างนอกหมดภยัยหมดพิษ หมดเบียดเบียนผู้อื่นได้กามอนาคามีจริงขึ้นไปนะเราจะต้องเรียนรู้จะได้อย่างไรจะละได้อย่างไรคุณจะต้องมาเรียนรู้จนกําหนดรู้ในว่าสัญญาญาณสัญญาคุณต้องใช้เป็นต้องฝึกสัญญาขึ้นมากําหนดรู้อ่านรู้เช่นทุกควรรู้พยัญช น, นะเรียกว่าปริญญยะเวลาคุณมาปฏิบัติคุณก็ต้องใช้สัญญา ปริยยาแปลว่าควรควรกําหนดรู้อ่าปริยยเะแปลว่าควรกําหนดรู้ส่วนปฏิบัติคุณมาทําการกําหนดรู้เรียกว่าสัญญาไม่ใช่ปริยยยะพอสัญญากําหนดรู้จนกระทั่งรู้จนกระทั่งเข้าใจไปจนกระทั่งก็จะกลายเป็นปริญญาทีนี้ ปริญญามาเป็นปริญญาเป็นการรู้ตั้งแต่กำหนดรู้สภาวะขององค์รวมเรียกว่าญาตะปริญญาจนกระทั่งแยกแยะได้เรียกว่าตีรณะปริญญาจนกระทั่งประหารสุดฆ่ากำจัดได้หมดเรียกว่าประหารปริญญาเร่องนี้เป็นต้น น, นี่คือพระยัญชนะ ท, ที่อาจจะมาหยิบมาให้อธิบาย ให้เข้าใจกามาสัญญาเขาเหมือนกันเพราะงั้นคุณจะต้องรู้จักสัญญาเป็นสภาวะอย่างไรแล้วกาหนดรูปกามอย่างไรนี่ก็คุณว่าอะไรพบอะไรเจอมันถูกใจไปหมดนั่นแหละเรียกว่ามันดูกมันดึงมันอยากมันใคร่มันต้องการอตามมาหลอกร้อนเริ่มต้นตั้งแต่หยาบก่อนแล้วก็ลดไปลดไปคงจะรู้ว่าอ๋อกามนี่มันไม่เที่ยงมันไม่แท้หรอกมันไม่จริงหลอกลดได้จริง ลดได้แล้วคุณก็จะต้องรู้ว่าเออการลดแล้วเนี่ยมันเบามันง่ายมันพ้นภาระมันพ้นทุกข์จริงๆคุณจะเกิดปัญญาญาณเห็นว่าความพ้นทุกข์พ้นจริงพ้นดับเหตุได้ไม่ใช่ว่ามันหมดเหตุแล้วมันไม่สุขไม่ทุกข์แล้วแล้วก็เลยอยากจะไปวนเวียนอีกมันไม่จริงเลยถ้าเห็นจริงแล้วมันจะเข้าใจโลกีโลกีรสโลกีแบบโลกโลกว่ามันสุขมันทุกข์พอมันเป็นโลกุตรามันลดว่างเบาง่ายแล้วมันเป็นความประเสริฐ เราไม่ต้องเสียเวลาเสียพาราเสียจะต้องติดต้องยึดต้องบำเบลตนเองต้องมาให้ตนได้ตนมีตนเป็นไม่ต้องอีกเลยคุงจะไม่มีปัญหาเลยนะไม่มีปัญหาเลยนะคนที่ไม่เคยได้อาตมาเคยอธิบายในพวกเราเนี่ยไม่เคยได้ไม่เคยคิดอยากได้อันนี้คุณก็ไม่เห็นว่าเวอะไรอามาเคยถามว่าใครไม่เคยติดลิปสติกผู้หญิง ในนี้มีหลายคนไม่เคยติดลิปสติกเลยคุณนึกว่าคุณคุณไม่แม่มันไม่ไม่มันมเหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขามียคนอื่นเขา โ, โหเป็นสูตรกลิปสติกอะ่ะเรามาทําไมเราเป็นคนพังคุณจะไม่รู้สึกหรอกหรือแม้คุณติดลิปสติกแล้วมาล้างจเลืออกจนกระทั่งคุณไม่ติดลิปสติกคุณจะม พอมันบรรุแล้วคุณไม่ติดจริงๆแล้วคุณจะไม่มียานปัญญาที่จะไปโง่ว่าโอ้ยเราไม่น่าทิ้งเลยลิปสติกคุณจะไม่มีเลยก็ดีแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โถเออไปติดมันอยู่ได้แค่ลิปสติกแม้จะเพชรจะพลอยจะม้านจะเมืองจะอะไระอะไรที่กำลังแย่งกันจะตายจะฆ่าแก้กันจะตายอยู่ทุกวันเนี้ย ไม่ต้องไปมีเงินล้านไม่ต้องไปมีอำนาจไม่ต้องไปมีอะไรทัางๆ น, า น, น, า น, างนั้นพวกเนี้ยันแสนสบายมีแต่คุณค่าความดีงามช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นทุกข์าปช่วยการผู้ใดเขายังอมียังเป็นก็อนุโลมเข้านรากบสอนให้เข้ า, าออมาอำนาจลดลงมาลดลงมาได้เป็นขั้นเป็นตอนมันก็จะได้เป็นลำดับลำดับลำดับออ่าาต่อมาอันที่สามว่าสมัยอายุยังรุ่นอยู่ชอบเพลงอ่า เพลงอะไรเพลงชื่อเพลงอะไรรังรักเมีรังรักใ น, นคดีเนาะอาตมามชอบเพลงรังรักในจินตนาการปรารถนาอันเป็นรวงใจเนื้อเพลงเหะชอบมากๆวันนี้ใครฟรังเพลงเหล่านี้อีกและตามทำความเข้าใจกับเนื้อเพลงมันก็ไม่พ้นการราพึงราพันเพราะฉะนั้นกามมันเกิดจากการปั้นจิตเอา ปั้นจิตเอาใช่ไหมเดี๋ยวคุณจําคําว่าปั้นจิตเอาใช่ไหมไว้ก่อนนิดหนึ่งนะเดี๋ยวอตาตมาจะมาอธิบายเป็นการปั้นจิตเอาใช่ไหมอายุเกินครึ่งศตรวรรษแล้วหแสดงมาเลยห้าสิบอายุเกินครึ่งศตรวรรษแล้วได้เห็นว่าทํานองเพลงน้ําเสียงบรรยากาศมันพาให้ลหลงไหลเคลิบเคลิ้มมีจินตนาการ นี่แหละคือโลกโลกที่มันหลอกกันมานานแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใชอาตมาเนี่ยเคยบุก ผ, ผู้เคยบอกอุญยายว่าอาตมาเนี่ยก็จะออกมาบวชเนี่ยอะไรต้องแต่งชาที่สุดเพลงอาตมาเคยบอกพวกเราต้องแต่งชาที่สุดก็คือเพลงนะจนกระทั่งมาบวชแล้วก็ยังไปแต่งเพลงอีกไปแต่งนี่ไม่ได้ติดนะ ทิ้งเลยจนกระทั่งตายเราไปแต่งมันจะไหวแล้วเนี่ยเดกเอ๊มันจะจดเขียนโน้ตได้แลยเนี่เนี่ยมันลืมมันทิ้งมาทวนขึ้นมาเออมันก็กลับมาเขียนได้มันก็กลับมาบันทึกได้เหมือนกันก็ทําไปนะเพราะว่ามันการมาทําคราวนี้มาได้ทำเพราะมันไปติดไปยึดแล้วทําให้เกิดเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเพลงในหลังที่มาแต่งจึงเป็นเพลงโลกุตระซีเยอะ นมาแต่งที่ตอนเป็นบําบดแล้วเนี่ยไอ้แต่ก่อนนี่เป็นเพลงโอ้โหอาจามาถึงนด่อธิบายเรื่องของศิลปะหรือแม้แต่เรื่องเพลงเนี่ยไม่เป็นห้าขั้นขั้นแรกคือขั้นลามกขั้นสองคือขั้นราคะขั้นสาคือขั้นสาระขั้นสี่คือขั้นธรรมะขั้นห้าคือขั้นโลกุตระเพราะคนที่จะทํางานศิลปะหรือทํางาน เพลงก็ตามแต่งเพลงก็เป็นศิลปะแต่ขั้นโลกุตระเนี่ยหาได้ยากไม่คนมีอาตมาว่าอาตมาแต่งธรรมะก็พอมีบ้างธรรมะโลกีธรรมะขั้นโลกุต ร, ระตามลําดับขั้นโซดาส ก, กิทาอาคาระแล้วแต่ก็แล้วแต่ธรรมีภูมิก็แต่ขั้นสาระสาระนี่กลางๆละสาระนี่มันเริ่มต้นที่จะมีคุณสมบัติมีคุณภาพมีคุณค่า จะเริ่มต้นเรียกว่าศิลปะบ้างเขาขั้นสามขั้นสาระแต่ถ้ามันเป็นศิลปะมันจะมีสุนทรีประกอบถ้าไม่เช่นนั้นมันจะไม่เป็นสารมันมันไม่จะเป็นศิลปะมันจะเป็นสารคดีขั้นสาระมันจะเป็นสารคดีเพราะสารคดีไม่ใช่วรรณกรรมไม่ใช่ศิลปะถ้าศิลปะมีสุนทรียะประกอบด้วยเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรก็แล้วแต่จะ จิตตกรรมปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมวรรณกรรมก็ตามแม้แต่นาตกรรมดนตรีการก็ตามก็จะต้องมีสาระเป็นหลักแต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยเข้าใจสาระที่จะเป็นเนื้อหาที่สําคัญนมันก็มีอยู่นะผู้เข้าใจก็มีครับเช่นเพลงเพื่อชีวิตอย่างเงี้ยมันก็เป็นเพลงที่มีสาร ะ, ะเพลงที่อันที่ อันที่เริ่มต้นหนึ่งราโมกสองราคะนี่ไม่ใช่ศิลปะเลยราโมกนี่แน่นอนอยู่แล้วไม่อธิบายราคะก็ไม่ใช่ศิลปะมอมเมาแล้วราคะนี่แหละหลงว่าเป็นศิลปะเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมปฏติมากรรมแม้แต่สถาปัตยกรรมหรือวรรณกรรมแต่วัฒนกรรมก็ยังก็นั่นแหละก็ยัง นวดิยารักใคร้ๆบูโหดเหี่ยมอะไรกันอยู่นั่นแหละเต็มไปด้วยกิเลสอยู่เหมือนกันไม่ใช่ศิลปะหรอกอยังเต็มไปด้วยโลคราคะโลกโทสะกันอยู่เต็มเลยแหละโดยที่พูดสร้างงานไม่รู้หรอกว่ามันเป็นศิลปะหรือไม่เป็นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยศิลปะมันไม่เป็นหรอกมันขึ้นไปถึงสาราไปถึงธทำมาไปถึงโล ก, กุตระนั้นยากอยู่ที่ราคะ กับลามกลงเงินเยอะอย่างเขียนภาพนู้นให้เป็นศิลปะนี่ยากที่สุดต้องเขียนภาพนู้นใหคนดูแล้วกามลดถ้าเขียนภาพนู้นใหคนดูแล้วกามเกิดมันก็ลามกมันก็เป็นกามเป็นราคะมันไม่ใช่ศิลปะมันต้องลดราคามันที่จะเป็นศิลปะดังนี้เป็นต้น นะอ้าวเลยขยายความสัยยาวจะหมดเวลาแล้วอู้หูเต็มมือเลยวันนี้แต่คนเอออาตมานี่พูดมันติดมันเลยยาวไปอ่ะเอาต่อมาบอกว่าจากคุณสีน้ำเงินหนึ่งกายหมายถึงรูปกายนาเร็ยกายในสตวาสเก้าและวิญญาณที่ติดเจ็ดสองส ม, มัตปัญญาคือนามรูปะปริเฉ ท, ทยาน ความเข้าใจข้างล่างนี่เป็นอย่างไรเข้าใจว่าธรรมปัญญาคือนามรลุ ป, ปรปิเฉทญาณมันก็เริ่มต้ น, นสมรมะปัญญาคือปัญญาที่เห็นความจริงตามความเป็นจริงหรือเห็นอย่างเห็นโดยชอบท่านแปลเป็นไทยไง่ายๆธรรม็ปัญญาก็คือมาจากสมานะเป็นไปโดยชอบ เริ่มต้นนา ม, มารูปะ ก, ก็เริ่มเห็นนา ม, มารูปเป็นอันแรกเขาถูกโซรยายไปทั้งหมดจบนั่นแหละคือสมัตปัญญาส่วนกายนั่นหมายถึงรูปประกายด้วยแต่คุณถามมารู ป, ปกายคือรู ป, ปกายในสัตววาด้าวาหรือในวิญญาณทิฏฐิเจ็ดถูกต้องรูปกายด้วยนามกายด้วยเอาหน้าจิตตามดีๆรูปกายนามกายจะมากาลังอธิบายอยู่อย่างมีขมัอยู่ตอนนี้นะต่อมา หมวดธรรมธาตุความเพียรอ๋อนี่ถามหมวดธรรมธาตุความเพียรดูจะสอดคล้องกับสังกปะเจ็ดเมื่อนํามาเทียบเคียงกันดังนี้าธาตุเพียรเจ็ดอรรถธาตุเริ่มเกิดคื อ, อาตักกะอารัมธาตุน่าตั้งต้นเพียรคือวิตักกะนิกรมธาตุเพียรไม่หยุดยั้งเรียกว่าสังกปะประกรมธาตุบากบันมุ่ง มุ่งมั่นเพียรเร็วอปปนาธรรมธาตุาเรี่ยวแรงเพียรแข็งแข็งแกร่งพยา ป, ปนาทิฏฐาตความเพียรตั้งมั่นคือเจตโซพิเนโรปนาอุปกรรมธาตุความเพียรในจิตสําเร็จผลบริบูรณ์บมจีสังขารพอได้เทียบเคียงกันพอได้ในความหมายในยะสําคัญและเข้าใจความหมายกันพอได้ แต่แต่สภาวะของจิตเจตสิกนั้นมันคนลมันคนละเรื่องกันธาตุเพียนเจ็ดนั้นเป็นเรื่องของคุณสมบัติของความเพียรตั้งแต่ต้นซึ่งอธิบายยากมากเลยเพราะเป็นความลึกที่สุดนะมันเป็นทุกธาตุความเพียนตั้งแต่เริ่มต้นยังไม่มีอะไรเพียรจนเกิดเป็นธาตุตัวหนึ่งตัวสองตัวสามจนตัวสี่ห้าหกจนกระทั่งถึงตัวเจ็ดเป็นอุ ป, ปกรณมธาตุเป็นตัวเพียนอย่างพยายามที่จะทําทตาม มันมีพลังของความต้องการแล้วส่วนสังกปะเจ็ดนั้นมันเป็นสิ่งที่กว้างสิ่งที่ลึกซึ้งสิ่งที่มากกว่าธาตุธาตุเพียนเท่านั้นเองอันนี้เป็นจิตเจตสิกเพียนอธิบายตัวเดียวน่ะมันลึกมันละเอียดมันเล็กนอาตมายังไม่ค่อยได้เอามาอธิบายมากแต่า่เพราะว่ามันไม่จําเป็นจะอธิบายมากนะักต่อไปในเมื่อปฏิบัติแล้วจะค่อยๆเข้าใจใน ไอลักษณะเจ็บธาตุหรือว่าหลักเจ็ดนี้เนี่ยมันเป็นองค์องค์ประกอบของสภาวธรรมต่างๆที่หมิเจอะนะธรรมาก็คอยอธิบายไปความสอดคล้องนี้มีนัยยะของความเคลื่อนตัวไปได้วยกันหรือไม่ความพยายามนี้ถ้าเผื่อว่าธาตุเทียนเนี่ยมันมีมันจะต้องมีเวลาสุดคุณไม่ต้องไปกังวลมันหรอกมันจะขึ้นไปตามลําดับแบบเนี้้มันจะมีแบบเนี้ยถ้าสมารถิถีแล้วจะเป็น ส่วนสังกปปะเจ็ดนี่คุณจะต้องเรียนรู้ให้สมบูรณ์นะธาตุเพียนเจ็ดนั้นไม่ต้องไปกังวล ม, มากมาอธิบายทีหลังจะเข้าใจมันเป็นตัวลึกละเอียดเล็กก็จริงอยู่แต่มันมันไม่ยากไม่ยากกว่าสังกปะสังกปะเจ็ยากกว่านะมีการออบอกมาว่าเป็นสภาพมีในยยะความเคลื่อนตัวไปด้วยกันหรือไม่ มันต้องใช้พยังพลังความธาตุเพียนประกอบไปด้วยสังกะประเจตตต้องใช้ธาตุเพียนทุกอย่างต้องใช้ธาตุเพียนเพียนเป็นยาดำของทุกอย่างเลยความเพียนไม่มีความเพียนไม่ได้อะไรสักอย่างความเลื่อนตัวไปได้วยกันหรือไม่มีความสําคัญที่ควรทํำการเข้าใจเพื่อการรู้ถึงสภาวะจริงของความคิดใช่ไหมยังไม่ต้องไปกังวลบอกแล้วธาตุเพียนอดเข้าใจไม่ได้ว่าอาศัยอารัปธาจึงเกิดสภาวะตั ก, กะดําเริขึ้นอ่า เพื่อเมื่อเพียรตัดกิเลสจึงมีวิตกะซึ่งเป็นปุญญาพิสังขารคุณพยายามอธิบายว่ามันความหมายว่ามันริเริ่มเกิดและตั้งต้นเพียรเพราะตั้งต้นเพียรเพรเพียรต่อเพียรไม่หยุดยัง้งและกรบากบันมากขึ้นเรียลแรงแข็งแรงขึ้นนะคุณอเอาอาการของตัวเพียร น, นี่มาใช้ทิฏฐิธาต์แปลว่าเพียรอย่างตั้งมั่นและสุดและไอตัวอุ ป, ปกรรมธาตุคือเพียรอย่างสมบูรณ์เพียรอย่างทำท ำ, ทำเป็นตัวธาตุ สุดท้ายเป็นตัวพลังแห่งความเพียรเรียกว่าพลังวิริยะเลยก็ได้นะจะเอาลักษณะโคนนั้นมาใช้เลยก็ได้โดยคุณเข้าใจแล้วนี่เรียงลําดับมันตั้งเบื้องต้นมาถึงขั้นสมบูรณ์ถึงตัวเจ็ดธาตุเจ็ดเนี่ย mm hmm. คุณไปใช้ไปเลยไม่ต้องจําก็ได้มันจะต้องใช้อยู่ในตัวของมันเองเป็นเพียงว่าว่างๆมันอธิบายสู่สภาวะธาตุที่เป็นองค์รวมของสภาวะธรรมในโลกนี้ แม้เป็นนามธรรมพวกนี้เนี่ยมันก็มีโอ้โหพระเจ้านี่ลึกซึ้งถึงขนาดนี้บันทึกไว้อัตมาก็เห็นถึงไดเอามาพูดถึงพวกเราให้สู่ฟังแม้คุณไม่รู้จักพยัญชนะพวกนี้เลยสภาวะเหล่านั้นมันมีในตัวอยู่แล้วนะเมื่อเพียนต่อไปไม่หยุดยังครบสามเศร้าวกว็าคือตัวดมิเต็มรอบสังกปะและเพราะมุ่งเพียนต่อบากบันจึงได้เอาละอัตมาขออภัย ้นนะ่คุณอธิบายได้ไดไใช้ได้เพราะบุคุณเลียงมาถูกใช้ได้หมดาอาตมาเขอสรุปว่างั้นมันหมดเวลาแล้วไม่ใช่อะไรหรอกอาตมาต้องรีบๆโอ้โหเต็มมือเลยเนี่ยจากสองล้อสีบุรพาโอ้โหสองล้อสีบุรพาเมื่อวันอาทิตย์ที่เจ็ดกรกฎาคมได้ไปร่วมแสดงพลังกับหน้ากากาาขาวค่ะมีรถเครื่องเสียงหนึ่งคันซึ่งทุกครั้งก่อนนั้นจะมีเครื่องเสียงสองสองคัน ก่อนจบกิจกรรม7กรกฎาคมมีการประกาศว่าวันอาทิตย์ที่14นัดหมายในลานหน้าเซ็นทรัลแม้ว่าอีกกลุ่มจะนัดหมายกันที่สวนลุมพินีก็าตามวันแรกเปิดแกนนำเมื่อ7กอคอนั้นชัดเจนว่าไม่ต้องการเตะหมูก็ปากหมาค่ะคือรู้จักคุ้นเคยกันมาเกิน20ปีแล้วกันวันแรกปิดตามไม่มดพ่อครู ชี้แนะแนวทางก่อนไปร่วมในวันอาทิตย์14กรกฎาคมเลยค่ะ เ, ออเรื่อง น, นี้เป็นเรื่องใหญ่ๆตอนนี้กำลังเกิดในเมืองไทยอาตมาถือว่าใหญ่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันเกิดดใีในเรื่องประชาชนตื่นตัวและก็มาชุมนุมชุมนุมมาแสดงความต้องการของความเป็นประชาชนต้องการอะไรอาตมาว่าเป็นความต้องการที่ ตรงกันหนึ่งเดียวกันในคนไทยขณะนี้เนี่ยต้องการความต้องการอะไรตอนนี้อาตมาว่ามีละเพราะฉะนั้นถ้าเผยว่าคนคนไทยขณะนี้เนี่ยต้องการที่จะมาแสดงความเห็นกันนี้แหละออกมารวมตัวกันให้มากนี่คือลักษณะประชาธิปไตยสงบที่นี้มันกิเลสของค น, นกิเลสเนี่ยมันจะแยกกลุ่มแยกหมู่เนี่ยไม่เป็นไรอาตมาก็ว่าไม่เป็นไร ขอให้มีพฤติกรรมเดียวกันคือออกมาชุมนุมจริงๆและชุมนุมทุกวันเลยออกมาแต่มีคนละกอกแล้วนะแต่เรื่องเดียวกันนะเรื่องเดียวกันความต้องการวันนี้ต้องการนี่ต้องการสมมุตินะต้องการให้คนนี้ออกไปกลุ่มไหนก็แล้วแต่มันรวมกลุ่มกันหรอกแต่ก็ออกมาชุมนุมกันเงี้ยกลุ่มนี้มีห้าพันกลุ่มนี้มีหมื่นหนึ่งกลุ่มมีแสนหนึ่งกลุ่มนี้มีร้อยหนึ่งก็ตามอยู่ทุกจังหวัดเลย นะดีไม่ดีมีทุกวันเลยแต่เรื่องนี้นะเอาเลยเดกตีกันแล้วกันออมาแสดงพลังว่าฉันต้องการอะไรประชาธิปไตยมันคือการแสดงความเป็นสิทธิที่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรอันนี้เราพูดถึงการเมืองปลกเาประเด็นตอนนีน้ี่เรื่องนี้มันกำลังมีเรื่องที่กำลังอยู่ในวาระอินเทรน ออกมาชุมนุมไปทั่วนี่ต้องการอะไรเนี่ยมันมีอินเทรนของมันอยู่ตอนนี้เอาออกมาเลยแสดงความเนี่ยต้องการคือความไม่ต้องการตอนนี้เนี่ยเขาออกมาต่อต้านใช่ไหมต้องการสิ่งที่ไม่ต้องการมันตรงกันอยู่ตอนนี้เยอะเลยเพรา ะ, ะนั้นเรื่องนี้แหละอาตมาว่าออกมาทําเลยเต็มประเทศไทยเลยคุณจะแยกกลุ่มกี่กลุ่มไม่ว่าเรื่องเนี้ยแล้วก็อย่างสงบอยา่ามาทะเลาะวิวาสอย่ามาตีรันฟันแทงอย่ามาฆ่าแกงอะไรกัน และทางรัฐนี่ต้องส่งเสริมด้วยเพราะว่าถ้าไม่ส่งเสริมไปขัดแย้งนะผิดรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายทางรัฐก็ดีเจ้าหน้าที่ก็ดีผู้ดูแลความสงบความมั่นคงก็ดีต้องส่งเสริมประชาชนออกมาต่อออกมาต้านทานออกมาประท้วงออกมาทำอะไรต้องส่งเสริมเป็นไปอย่างที่ป็นเป็นสุจริตนิติรัฐนิติธรรมถูกต้องตามนิติรัฐนิติธรรมนะ แต่ถ้ารวมกันได้ไม่มีทะเลาะวิวาทอะไรกันจะแยกกันอยู่ตรงนั้นตรงนี้ทำกันยังไงไ ง, ไงก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นใครจะมาที่เซ็นทรัลกาตามใครมีเซรั่ใช่ไหมหรือใครจะไปส่วนรุมเกอไปวันอาทิตย์เดียวกันก็ไม่เป็นไรนะจะหลายวันก็ไม่เป็นไรทุกวันก็ไม่เป็นไร ถ้าทำได้ทุกวันเลยแล้วก็แม่มีตลอดเวลาอยู่ในเมืองไทยเลยก็ดีทีแต่ต้องให้ถูกต้องตามนิติรัฐนิติธรรมออกมาอย่างสงบมาแสดงความจริงมีความปรารถนาอะไรก็ว่าไปตามสมควรอย่าไปก่อความวุ่นวายยุ่งยากผิดกฎหมายนั้น น, น, น, นี้เชิญทำเลยเต็มที่เลยมันเป็นความประชาธิปไตยที่อาตมาว่าจะทาได้จงงดงามมากที่สุดเลย ที่อื่นเขาก็ออกมาประท้วงกันแต่มันก็รุนแรงมันก็อะไรใจแมไทยเรานี่อาตมาพาทำอยู่ตอนนี้อาตมาไม่มีเวลาเท่าไหรเมื่อไงก็ขอพักยกก่อนนะมันมีอะไรหลายอย่างที่อาตมามีเหตุผลก็อาตมาก็ขอออกไปทำกันอเออาตมาสนับสนุนเต็มที่นะอ้าวตอบอีกสองแผน่นขออภัยมันเวลาเลยเป็แล้วเร็วหน่อยโอ้ยาวทั้งนั้นเลยโอ้ตายตายตา ย, ตายไอ้นี่มันหลายช่อโอ้โหไปจับเอาแผ่นนี้มาไอ้ตั้งสามสี่อันยา ว, ยาว จะไหวไหมเนี่ยอ้าวเจ้านี้บอกว่าดิฉันฟังแปดเจ็ดนหน้ามาหลายครั้งแล้วจะขอบอกเขาหน่อยว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่คุณทำไมไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจเรียนตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนให้รู้จริงคุณเอาปัญญานอกเรื่องไม่เข้าหลักคำสอนโอ้โหไปพิพากษาเขาเต็มที่เลยเนี่ยคุณว่าคุณถูกแล้วไปว่าแปดเจศนหน้าเขาไม่ถูกกันอยากตีทิ้งเลยนะเนี่ย คุณเอาปัญญานอกเรื่องไม่เข้าหลักคําสอนพระพุทธเจ้าสิ่งที่คุณเขียนมามีแต่ความวนคุณคิดแต่จะโต้แย้งและตำแบงไปข้างๆหาประโยชน์อะไรไม่ได้ประทับใจพ่อครูมากที่พยายามอ่านให้ฟังพ่อครูสอนคนมามากแล้วเป็นร้อยเป็นพันเขาฟังกันรู้เรื่องแต่จะดูหน้าทําไมคุณฟังไม่รู้เรื่องหูคุณเป็นหูกระทะหรืออย่างไรจึงฟังไม่รู้เรื่องคุณลองตั้งใจฟังซี่แล้วคุณจะรู้เรื่องขอยืนยันในฉันอยู่มาแล้วสามสิบห้าปี พ่อครูสอนให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆกลาวขอบพระคุณอ๋อไม่ได้ถามอะไรโออ่ะอ่ะต่อมาเจ้านี้เจ็ดแปดสองสองเมื่อไรพ่อท่านจะสัญจรไปอำเภอแกลงบ้างคะขอไปอาตมาไปไหนไม่ค่อยรอดเลยอ่าก็อ้าวตอบไม่ได้ไม่รู้มา่เมื่อไหร่อ้าวแลก็อ่านะสักวันหนึ่งถ้ามีบุญนะกองจะได้ ไปบเมืองแกลงบ้างจากอุทัยธานีได้ดูทีวีเรื่องชาวกะเหรี่ยงอายุยืนร้อยกว่าปีวิถีชีวิตเขาน่าสนใจเขาทำอาหารกินเองกินพืชผักไรสารพิษดูรูปไม่แก่ก็จับก็เเ้งอัตมา ก, ก็ดูอายุร1 6ยบ1กอ้รยปีผู้ชายฮ ะ, ะยังเดินไปไหนมาไหนแข็งขันเดินนำหน้าเขาด้วยนะโอ้ยังหน้าตานี้ก็ออมันไม่น่าจะเกือบร้อนะ่ 9, ในใจะร20อยู่แล้ว หน้าตานี่จำเหี่ยวน้อยก็จะมานรือเปล่าย่นน้อยก็หรือเปล่าเนาะโอ้อเอาเอาเดี๋ยวเราอ่านต่อนะดูรูปไม่แก่กะระจับก็เจ้งอากาศม่ห้องสอนคงจะสะอาดกว่าในเมืองมากแน่นอนแน่นอน น, น, อ น, นะจึงทําให้ดูเขาไม่น่าจะอายุถึง100ร้อยปีด้วยซ้าไปทําให้นึกถึงรายการที่เอฟเอ็มเอทีวีเคยออกอากาศอันนี้ไม่ใช่ น, นั่นนี่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ยังไม่ถึงร้อย คนนี้หัวหน้าห้องของ t ีเเอ็มเนี่ยเรียนเนี่มาก่อนเพื่อนเลยคนนี้ไม่ขาดกไม่ขาดเรียนเลยอาตมาได้ยกให้เป็นหัวหน้าห้องอยมนวลน <c oughs> รายการทีเอฟเอมทีวเคยออกอากาศทําให้นึกถึงรายการ f ีเอฟเอ็มเคยออกอากาศถึงโครงการขยายอายุไขของหลวงพ่อที่ดูดูบุคลิกท่านก็นดูกระฉับก็ะเฉงดีก็ไม่น่าจะถึงร้อยไม่น่าจะถึงแปดสิบ ปเปิดเผยหน่อยได้ไหมว่าหลวงพ่ออยู่ยังไงทำใจยังไงถึงเบิกบานแล้วก็มีเมตตาสอนคนที่จงใจมาหาเรื่องก็ตอบเขาอย่างดีฉันก็พลอยได้ธรรมะไปด้วยทีแรกฉันก็ไม่ชอบเลยไอ้คนที่มากวนมายั่วหลวงพ่อนี่ยฉันโกรธฉันรําคาญแต่เห็นหลวงพ่อปฏิบัติต่อเขาฉันก็ได้สติศรัทธาหลวงพ่อนะพิจารณาตามที่หลวงพ่อสอนหลวงพ่ออารอธิบาย ฉันมีความคิดเปลี่ยนไปในทางที่ดีไม่มีไม่อารมณ์ขึ้นไม่อารมณ์ขึ้นลงง่ายอย่างแต่ก่อนได้แฮะฉันว่ายืดอายุไขอย่างท่านทำให้ดูเนี่ยพวกนักวิชาการที่เขาออกอากาศทางทีวีของท่านทำทำไมเขาทไมเขาไม่พูดถึงบอกตรงๆว่าฉันฟังเขาไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจหรอกฉันก็ลองเสนอดูว่าฉันได้ประโยชน์จากท่านอย่างนี้ ใช่วิธีขยายอายุไขไหมถูกต้องใช่วิธีอายุไขยอย่างหนึง่งขอยืนยันนะตอนนี้เราจะมีเรื่องที่จะเอาเข้ามาสู่การเสนอจะมาเสนอเรื่องขยายอายุไขเนี่ยคงจะมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นติดตามดีๆเรื่องนี้กำลังจะให้มันเป็นวิชาการที่ขยายอายุไขทั้งในเรื่องด้านสรีระและทางจิตวิญญาณเอามาพนวกกันเลย อาตมาเป็นตัวตั้งด้วยแล้วนีคนก็กาลังจับอาตมาเป็นตัวเป็นตัวอะไรแหละเป็นตัว subject เป็นตัวเป็นตัวการที่จะที่จะเป็นโมเดลอ่าเป็นอะไรอ่าอ่าเป็น specimen อ่าเป็น specimen อะไรก็ได้นะเป็น specimen ก็ใช่เป็นตัว อย่างที่จะจะจะวิจัยอ่ะนะก็ลองดูนะอ้าวอันสุดท้ายจากลูกค้าหน้าวัดมาซื้อของที่ร้านค้าข้างวัดเห็นคนมาซื้อของกันเยอะดูคนจะนิยมซื้อของที่ ส, สัติ์เสกมากอยากรู้ว่าจะซื้อของของวัดขายจะอยากอยากรู้ว่าจะซื้อของของวัดขายจะซื้อที่ร้านไหนเพราะเห็นมีร้านเยอะแยะ ทั้งของกินของใช้แต่บางร้านก็มีคนพูดไม่ชัดฟังภาษาไทยไม่ค่อยเข้าใจมีเหรอฮะฮะลูกจ้างเลยอ๋อลูกจ้างเ อ, อคือลูกจ้างที่เข้ามาช่วยอยู่ในร้านมีนเป็นคนตั้งชาติาเป็นคนที่เขามาอยู่ในร้านมามาเป็นมาช่วยทํางานอยู่ในร้านมีมีมีม ร้านยาธรรมต่างๆฟังภาษาไทยไม่ค่อยเข้าใจตำแหนยง ค, คล้ายๆพวกเขมรจึงคิดว่าคงไม่ใช่ร้านของสันติอโศกแน่ๆเลยจะเลือกซื้อของร้านไหนดีจึงจะได้ของมีคุณภาพแบบสันติอโศกแน่สันติอโศกนี่ขึ้นมอเลยเกินน่าเชื่อถือเชื่อมั่นดีนะทําทำดีๆนะอย่าเสียท่านะในคนเขาเชื่อถือ อาตมาก็ว่าเอาชนะเขามาก็อันไหนที่พ่อหมอผสมซื้อไปอาตมาไม่มีเวลาจะอธิบายแล้วนะก็มีของที่เป็นของส่วนกลางร้านของส่วนกลางก็มีร้านของเอกชนอาชาอโศกห่างๆก็มีห่างๆก็มีกังตรงก็มีอโศกชิดๆก็มีอะไรพวกนี้มันมีอยู่ทั้งนั้นนะห้อมล้อมอยู่อย่างย่านนี้ทั้งหมดไอ้ไม่ใช่เลยก็มี มาแฟงมาแอบมาทำอะไรได่อยู่ก็มีนะก็เอาเธอก็เข้ามาศึกษาแต่มาไม่รู้จะอธิบายไงมันไม่มีเวลาแล้วก็ขอผ่านไปก่อนน ะ, ะสำหรับวันนี้ขอจบลงไปดื้อแค่นี้ก็แล้วกันจเจริญธรรมทุกคน